อุสซัมลล al-hamdu lillahi rabbi alamin wabihi nastain la hawa w a l a k u w a illa billahi a l i a z i m s u uh. b n a ka la ilma lana illa m a l m a n a innaka anta a l m u k i m و ب ل ي ن َ أ ن ْ ت و ب ا ل ر م ص ر ي و ر ي ن أ ق د م ن س ا ن ِ ي يَفْقَهُ قَوْلِي سَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ เรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเป็นเนื้อหาที่ยาวถูกประทานลงมาที่มหานครมักกะเป็นเนื้อหาที่ยาวแล้วจบในตอนเดียวไม่เหมือนกับเรื่องราวอื่นๆที่อัลลอ์ได้เล่าเรื่องราวของนบีมูซากลุ่มชนของท่านก็คือบันิสรออีล น, นบีนุ ح, นห์นบีฮูดนบีซาลัก์นบีชูเอบนบีอาดัมอะลัยฮิมุสลาตวะสัลลม ซึ่งอัลลอฮ์จะเล่าไว้ในหลายๆสุรแต่สำหรับเรื่องราวนาบียูซุฟอะลัยฮิสสลามและครอบครัวของท่านรวมถึงนบีอกูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยอัลลอฮ์เล่าไว้ตอนเดียวจบในสุรเดียวและมีเนื้อหาที่ยาวมากและเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ศรัทธาและผู้ถามหรือผู้ที่สงสัยในเรื่องราวของนบีูซุฟอุลมามะบอกว่านักทัศซีิบอก แม้ว่าซุร้นนี้จะถูกประทานลงมาที่เมืองมักกะก็ตามสำนวนปกติของการประทานลงมาในเมืองมักกะเนี่ยคือสำนวนแบบสั้นๆสำนวนแบบหนักแน่นสำนวนกระเทาะสนิมแห่งการปฏิเสธที่อยู่ในหัวใจขย่าวศรัทธาแห่งขย่าการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์และวันกียร์มาเนี่ยให้หมดไปแต่สำหรับซุร้นนี้ซุรยูซุฟเนี่ย มีสำนวนที่นุ่มนวลอุลมาหลายท่านบอกว่าใครก็ตามที่กำลังมีความเศร้าได้อ่านสุร้หนนี้ศึกษาหรือใครควรเนี่ยจะเป็นการผ่อนคลายเพราะสุร้อนนี้เนี่ยถูกประทานลงมาช่วงที่ท่านในบีกำลังมีความเศร้าโดยเฉพาะช่วงที่เป็นปีแห่งความโศกเศร้าของท่านนบีซาลลอห์ข้าพเจสองบุคคลที่ใกล้ชิดกับตัวท่านได้เสียชีวิตในปีนั้น นั่นคือท่านหญิงคอดีญะเราดิอัลลอฮฺอานฮาผู้เป็นภรรยาสุดที่รักของท่านนาบีและอบูตอเล็บผู้เป็นลุงแม้จะไม่ใช่มุสลิมแต่มีบทบาทในการช่วยเหลือท่านนาบีปกป้องท่านนาบีในอย่างมากดังนั้นท่านนาบีเสียใจในช่วงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วยิ่งมีการกดขี่จากบรรดาชาวกูเรชเ ย, ย่ะเย้ ย, ะ ย, ะ ย, ะยะถักถางทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจกับท่านนาบีเนี่ยทำให้ท่านออได้รับความกดดันอย่างมาก ขณะเดียวกันอันลลอฮ์ก็ได้ประทานสุรยูซุฟลงมาเนี่ยชีวิตของอยูนบิยูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยคล้ายคลึงกับท่านนาบิสลาลลอห์ในหลายมุมมุมหนึ่งก็คือความใกล้ชิดของท่านนาบีกับนบิยูซุฟเนี่ยเป็นญาติกันเป็นตระกูลของลูกพี่ลูกน้องนบิยูซุฟเป็นตระกูลของนบียะกูบนบีอิสฮักนบีมุฮัมมัดสลาลลอห์าาเป็นตระกูลของนบีอิสมาอินอะลัยฮิสสลาม แล้วก็มีบิดาคนเดียวกันคือนบีอิบราฮิมมีความคล้ายคลึงกันในส่วนของการที่พี่น้องเครือญาติคนในครอบครัวของท่านนาบีมุฮัมมัดสอดส่องได้ได้กดขี่ได้ทําร้ายได้ขับไล่ท่านนาบีเหมือนกับนบีอูซุฟเช่นกันคนในครอบครัวแท้ๆขับไล่กดขี่ข่มเหงท่านนาบีอูซุฟอละลัยฮิสสลามในเช่นกันอัลลอฮ์ได้ ให้บั้นปลายวลอากีบาตุลินมุตตะกีนของเรื่องราวนาบียูซุฟเนี่ยเฉลยให้กับท่านในาบี ม, มุฮัมมัดซอลลัลลอฮุซายิฺลลอฮว่าบั้นปลายย่อมเป็นชัยชนะของบรรดาผู้ศรัทธาอย่างแน่นอนดังนั้นท่านนาบีได้ฟังสุร้อนนี้แล้วมีคําตอบหลายอย่างบางในงานที่บอกว่ามีชาวยูมาถามท่านนาบีถึงเรื่องราวของยูซุฟและพี่น้องของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนาบีก็ไม่มีข้อมูลมาก่อน จะเอาเราได้เล่าอย่างละเอียดในเรื่องราวของบุคคลเหล่านี้ในประวัติศาสตร์ให้กับท่านนาบีฟังทําไมต้องเป็นชาวยูเพราะชาวยูเนี่ยเป็นนี่คือบรรพบุรุษของชาวยูต้นตระกูลบานีอิสรออินก็คือนบียูซุฟและพี่น้องของท่านทั้งหมดอิสรออินคือนบียะกูบบานีนี่คือลูกนะฮะอับนะก็คือลูกๆแต่บานีนี่คือลูกหลานของอิสรออินคือนบียะกูบ ชาวยูเน่ให้นบีซอลเราสำเลา่าพอรู้ว่าเป็นนบีเหมือนกันตระกูลเดียวกันคือมาจากนบีอิบราฮิมอะลัยอิสลามถ้าไม่ได้เป็นนบีย่อมไม่สามารถจะเล่าได้แต่ท่านนบีก็เล่าและเป็นการเล่าที่ยาวมากให้แก่ชาวยูได้รับรู้ว่านี่เป็นวาฮีมาจากอัลลอฮ์ชาวยูเน่ใกล้ชิดด้านเชื้อสายนะฮะกับนบียูซุฟและพี่น้องของท่านน่ยมากกว่าที่นบีมุัซอาใกล้ชิดกับนบียูซุฟ แต่ด้านศรัทธาท่านน บ, บีเนี่ยใกล้กว่าดังนั้นในนี้คือถ้า น, น บ, บีเป็นผู้ที่โกหกเนี่ยน บ, บีไม่กล้าที่จะเล่าแน่นอนเหมือนกับมีคนหนึ่งเนี่ยมาท้าให้เราเนี่ยเล่าเ ล, า, เลาต้นตระกูลของเขาอะฮะอาจจะเป็นญาติกันใช่ไหมฮะเราบอกอันไหนลองเล่าสิตระกูลฉันเนี่ยเป็นยังไงถ้าอ้างว่าเป็นน บ, บีอ้างว่าเป็นคนที่มีความรู้ในสายตระกูลนะฮะปรากฏว่าท่านน บ, บีก็กลา้าเพราะเนื่องจากท่านไม่ได้เล่าด้วยกับความคิดเห็นหรือการเดามั่วของตัวท่านเอง แต่เป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์แล้วเป็นการสัญญาว่าอัลลอฮ์เป็นผู้เล่าเองนะหนูนะกุสูอัเลยกออาฮสนันกอซเราเป็นผู้เล่าเองให้แก่เจ้าเป็นการเล่าที่อาฮสนันกอซดีงามที่สุดนั่นเองนะครับเรื่องราวนาบียุซุฟเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้ามีความน่าสนใจในชีวิตของท่านว่า ระหว่างทางที่ท่านจะประสบความสำเร็จเนี่ยท่านเก็บเกี่ยวหรือปฏิบัติอะไรบ้างจริงๆผมว่าน่าจะทำเป็นซีรีส์ที่แบบว่า เ, เก็บข้อมูลในรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมตั้งใจ่ยาจะทำนะฮะไม่รู้จะออกมาเป็นรูปแบบไหนด้านครอบครัวในบิวซุฟเนี่ยเรื่องราวในซุร้อนยูซุฟเนี่ยมีสอน น, นะฮะด้านครอบครัวด้านครอบครัวนี่รวมถึงวัยรุ่นด้วยคนที่รักษาตนเองให้พ้นจาก จีนาหรือการผิดประเวณีการมีแฟนอะไรต่างๆนะฮะสคือด้านเศรษฐกิจด้านการเงินที่นบีอูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยมีความชํานาญมีความเก่งในเรื่องนี้การค้าขายมีในสุรตนี้สคือด้านการบริหารการปกครองทั้งการปกครองของตัวนบีอูซุฟเองที่ได้ปกครองเมืองอียิปต์และรวมถึงการปกครองของอาซิส ที่เราจะได้ศึกษากันเนี่ยว่าความบกพร่องของเขาในการปกครองทั้งครอบครัวและปกครองคนที่อยู่ภายใต้การดูแลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงศาสตร์ในการปกครองของนบียกรุปอะเลสตลามกับลูกๆอันนี้คือด้านการปกครองทั้งหมดเลยก็เป็นอีกหมวดหนึ่งสในหมวดของการโน้มน้าวเชิญชวนคนให้คล้อยตามความคิดหรือมุมมองของตนเองอย่างเช่นที่นบียูซุฟได้โน้มน้าว คนที่อยู่ในเรือนจำสองคนเนี่ยให้คล้อยตามหลักการที่มาจากอัลลอฮฺสุบบฮานอหวตาลหรือการที่ท่านได้น้มน้าวพี่ๆเห็นนะฮะพี่ๆเนี่ยให้นำตัวน้องชายมาคือเบญเยมินนะฮะก็เป็นอีกศาสตร์นึงและอาจจะมีอีกหลายๆเรื่องที่เราสามารถจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ถือว่าเป็นศาสตร์เลยนะฮะที่มีความสวยงามและเรียกได้ว่าเป็นศาสตร์แห่งความสำเร็จ ศารแห่งความสำเร็จที่นบียูซุฟอะลัยสต์อลลอเนี่ยรู้ตัวอย่างเช่นนี้ท่านได้บอกอินนาหูละยุฟลิฮุซาลิมูนแท้จริงคนที่อาธรรมเนี่ยจะไม่ประสบความสําเร็จแสดงว่านาบียูซุฟไม่คือเป็นคนที่รู้รู้แล้วเนี่ยไม่เพียงแค่รู้อย่างเดียวที่ผมนําเคยนําเสนอไปก่อนหน้านู้นานะฮะนบียูซุฟรู้ศาสตร์แห่งความสําเร็จแล้วเนี่ยยังเผยแพร่าศาสตร์นี้อีกด้วยหลักฐานตรงไหนฮะที่นบียูซุฟเผยแพร่ศสาสตร์แห่งความสําเร็จ ช่วงตอนที่อยางเราไม่ได้เรียนกันนะฮะแต่ว่าผมจะพูดนําไปก่อนจะได้รู้ว่ามีความครอบคลุมในเรื่องราวของนบียูซุฟในหมวดต่างๆเช่นตอนที่นบียูซุฟอะลัยอิสลามได้รอดพ้นจากข้อกล่าวหาเคลียคดีความของท่านเนี่ยตัวท่านเองบริสุทธิ์และท่านก็ได้กล่าวザลิก利亚และมาอันนีและมาคุนฮูบินโอยบที่ฉันดังกล่าวนี้เนี่ยทำให้ เขาก็คือเจ้านายเดิมของนายบซุฟรู้ว่าฉันไม่ได้ทรยศกับใครฮะไม่ทรยศกับตัวเขาคือไปล่วงเกินภรรยาของผู้ว่าอิบขณะนั้นแล้วนายบซุฟบอกต่อไปอวันละฮะลายฮดีไกดันคออินินและอัลลอฮ์จะไม่ให้ทางนําแก่แผนการของคนที่ทรยศลายฮดีไกดันคออินินแสดงว่านายบซุฟรู้ว่าคนอธรรมคนทรยศเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จ ขณะเดียวกันที่ท่านก่อนจะออกจากเรือนจําท่านสามารถจะออกจากเรือนจําได้ด้วยความบริสุทธิ์เพราะว่าท่านไม่ทําความผิดอลัลละฮ์รู้ไหมฮะว่าท่านทาความผิดไหมอลัลลอฮ์รู้แต่ตัวท่านเองอะลัยฮุสซาลามไม่ต้องการให้คนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าคนที่มีคดีคนที่ทําความผิดเนี่ยออกมาจากเรือนจําแล้วใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วขึ้นสูงเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทั้งที่มีคดีติดตัว ทำให้คนเห็นว่าโอ้ยแบบนี้คนไม่ดีเนี่ยติดคุกติดตารางแล้วเนี่ยสามารถเป็นใหญ่เป็นโตได้ถ้ารู้จักคนใหญ่คนโตในรัฐบาลเลยเป็นต้นนะฮะแต่ใียุซุบไม่ต้องการให้คนเนี่ยมองกฎธรรมชาติข้ออรรถเนี่ยผิดพลาดไปว่าบางทีคนไม่ดีเนี่ยก็อาจจะสําเร็จได้ไม่ใช่เพราะท่านต้องการเผยแพร่แนวทางอันเป็นธรรมชาติที่อรรถกาหนดเอาไว้เนี่ยว่าเป็นไปไม่ได้ว่าอันนัละลอฮ์ฮะอัลลอฮ์นั้นละยะฮดีไกลดันคอยนิน เราจะไม่ให้ทางนําแก่คนที่ทุจริตอย่างแน่นอนดังนั้นนี่คือความพยายามของนายบิลยูซุฟนำเผยแพร่ศาสตร์แห่งความสําเร็จตรงนี้ผมก็เลยว่าเออน่าสนใจทีเดียวที่เราจะเอาเคล็ดลับที่อยู่ในซีรันี้ซึ่งมีเนื้อหาที่สวยงามมากแล้วมีศาสตร์อย่างเช่นที่นายบิยูซุฟบอกนะครับว่าหลังจากที่ท่านได้พบเจอกับพี่ๆที่ผมเล่าไปก่อนเป็นตัวอย่างนะพบเจอกับพี่ๆเนี่ยขณะที่พี่ๆ ไม่รู้ว่านั่นคือนาบยูซุหลายครั้งอยู่เอ่อเจอกันนบนายบยูซุปหลายครั้งจนกรทังครั้งสุดท้ายเนี่ยอยู่ในสภาพที่แย่มากเศรษฐกิจแย่ครอบครัวแย่<ม>และกลับมาบอกกับนายบิยูซุไม่รู้ว่าเป็นนายบิยูซุบอกว่าได้โปรดเอ่อช่างตวงให้เราเต็มด้วยเถอดเรานําสินค้าที่แบบไม่ดีมาแลกเปลี่ยนกับท่านนะฮะและวอกว่าจะซัดตะดกอะไรนะและโปรดสละก้อให้แก่พวกเราเพิ่มไปด้วยเถิดอินนัลลอฮฺจะจินมุตะซัดกินอัลลอฮจะตอบแทน คนที่ทำซาดะก็น บ, บีซุฟก็เลยตอบกับบรรดาพี่ๆเนี่ยไปว่าพวกท่านเนี่ยจําได้ไหมรู้ไหมมาดะฟะลุนตุมบิยูซุฟะวะอัคีฮีอิทันตุมเจฮิลุนพวกท่านได้ทําอะไรกับยูซุฟและและใครครับน้องชายของเขาขณะที่พวกท่านเนี่ยไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องก็คือเจฮิลุนตอนนั้นแหละนะฮะนี่คือ การเปิดเผยตัวตนครั้งแรกของนบียูซุฟและสุดท้ายเนี่ยพี่ๆก็บอกว่าอินนากะละอันตะยูซุฟท่านคือยูซุฟเหรอคือแปลกใจเซอร์ไพรส์ในยูซุฟไม่เคยบอกมาก่อนแล้วคนนั้นในยูซุฟเนี่ยปฏิบัติ ด, ดีกับคนที่ปฏิบัติไม่ดีกับในบยูซุฟมาตลอดเขาก็เลยแปลกใจท่านคือยูซุฟเหรอบอกว่าใช่อันนายูซุฟฟูฮะซาคีฉันเนี่ยแหละยูซุฟและนี่คือน้องชายของฉันที่จับตัวมาเนี่ยนี่คือน้องชายของฉัน แล้วก็บอกก้อนมันอัลลอฮ์อะไรนะอัลลอฮ์ประทานความปวดปานแก่พวกเราแล้วบอกกฎของความสําเร็จอินนัฮูไมยะเตกีวยัสบิรดังนั้นใครก็ตามเพราะความจริงใครก็ตามตักวาต่ออัลลอฮ์และอดทนสองอย่างฟะอินนัฮูฮะลาอยูดีออัจรันมุฮซินินอัลลอฮ์ไม่มีทางทําให้รางวัลหรือการตอบแทนของคนทําความดีเนี่ยสูญหายไปแต่อย่างไดนี่เป็นศาสตร์ ทำให้เราเนี่ยเข้าใจอย่างถูกต้องว่าอะไรก็ตามที่เราทำความดีเล็กน้อยอย่าคิดว่ามันศูญเปล่าเขาบอกว่าปกติคนเนี่ยเวลาต้องการพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยเขามักจะคิดว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงแบบวันคืนแบบรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองเนี่ยคือแบบว่ารวดเร็วภายในวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่ง และพอเวลามันไม่สามารถบรรลุสู่สิ่งที่เขาต้องการได้บางทีสมมติเป็นปีหนึ่งนะฮะบรรลุไม่ได้เขาก็ละทิ้งสิ่งที่เขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปเลยทั้งที่กฎธรรมชาติที่เอาละวางเอาไว้นี่คืออะไรฮะค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับเอ่อคนที่กำลังเติบโตะฮะเด็กที่อยู่ในคันหรือว่าเติบโตเนี่ยก็เติบโตกันทุกวันเติบโตทุกวันแต่ว่าบางทีเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ถามว่าเติบโตไหมฮะเติบโตตลอดเช่นเดียวกันการที่เราจะได้รับอย่างเช่นความรู้หรือว่าได้รับประสบการณ์หรือได้รับอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเหล่านี้เป็นศาสตร์ที่ถูกระบุในอันกุราณาและเป็นศาสตร์ที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะมาทวนกันเล็กน้อยนะครับผมไม่ใช้เวลาประมาณไม่ถึงสามทุ่มหรือสามทุ่มโดยประมาณนะครับพี่ชอตแล้วพี่น้องสามารถจะออแลกเปลี่ยน ใครควรพร้อมกันหรือว่ามีมุมมองต่างๆนะฮะเนผมจะพยายามหมวดต่างๆที่แบ่งข้างต้นเนี่ยมันก็จะมีหมวดครอบครัวหมวดการการเศรษฐกิจการเงินหมวดการโน้มน้าวหมวดการปกครองแล้วก็อาจจะมีหมวดเกี่ยวกับการอะไรนะฮะการเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็น่าสนใจทีเดียวเราจะมาพูดประเด็นย่อยๆกันนะครับอัญชลลครั้งที่แล้ว ความเดิมนะฮะก็คือนบิซุฟฝันแบบสรุปเลยนะฮะฝันเป็นฝันประหลาดอันนี้หมวดครอบครัวฝันไม่มีดวงดาวสิบเอ็ดวงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มานส ย, ยุและเล่าให้กับคุณพ่อฟังคุณพ่อเนี่ยแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อเนี่ยสัมพันธ์แน่นแฟรลูกสามารถเล่าทุกเรื่องให้กับคุณพ่อฟังนะอ น, นี่คือความผูกพันและคําพูดระหว่างลูกกับพ่อยะ ah อับติอินนีรอไอตุอะฮะดาอัชรอเกลกะบะโอพ่อจ๋า อันนี้แล้วก็ยาบูไนพ่อก็ตอบลูกจ๋าลูกรักแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกคุณนี้เนี่ยดีผ่านแน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วคุณพ่อยังเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์ในครอบครัวนี้หมดบริหารรวมถึงการบริหารในครอบครัวแนะนำลูกไปว่าลาตัสสุสุยะกาลาอิควาติกะในอายะที่5นะฮะบอกว่าลูกลูกลูกัก อย่าเล่าเรื่องฝันที่เจ้าเล่าให้พ่อฟังนี้เนี่ยแกพี่พี่ของเจ้าเพราะพวกเขาเนี่ยจะวางแผนไม่ดีแกเจ้าเพราะนาบียะกรุบเริ่มรู้แล้วพี่พี่เนี่ยมีกลิ่นที่จะอิจฉานาบียูซุฟอลริสธรรมดูเหมือนว่าเขาจะเห็นว่านาบียะกรุบเนี่ยรักนบียูซุฟและบิญญามียนมากกว่าเป็นพี่น้องคนละแม่อันนี้ก็คือความอิจฉาที่เสียก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะความอิจฉาที่เสียเนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ สู่ความไม่สําเร็จหรือว่าล้มเหลวอย่างอิบลิสเป็นต้นใช่ไหมฮะแล้วอย่างพี่น้องนบิュอุุฟเนี่ยแต่ว่าตอนหลังนี่คือกลับตัวแล้วก็ให้ผลตอบแทนนะครับแต่ว่าความบิจฉบรู้สึกว่าพี่น้องน้องชายทั้งสองคนต่างมารดาเนี่ยนบี abi, หรือคุณพ่อเนี่ยรักทั้งสองคนนี้มากกว่าตัวทั้งนั้นที่ตัวเองมีจํานวนมากกว่า <S <S <S วานาห์นูอัลสบาตุนะฮะแล้วก็คุณพ่อนอกจากนั้นแล้วเนี่ย สอนให้ลูกเข้าใจประเด็นที่แท้จริงไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่ๆเป็นตัวปัญหาแต่ไม่ใช่ปัญหาคือชัยตอนชัยตอนเป็นศัตรูกับพวกเจ้าและชัยตอนต้องการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในครอบครัวอันนี้คือความเข้าใจขอน บ, บิลซุบอันลึกซึ้งและสอนลูกไปว่าที่ภาพออกมาเนี่ยอย่าไปตําหนิพี่อย่างเดียวแต่มีเบื้องหลังคือชัยตอนดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือการกระซิบกระซาบของชัยตอนที่จะมีอยู่ในบรรดาพี่น้อง ระหว่างกันพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะพี่น้องที่ร่วมพ่อร่วมแม่หรือว่าต่างพ่อต่างแม่ก็ตามนะครับอ่าในบียาคุบเนี่ยก็สอนอินชาติอนะลินอินซาเนียดูมูบินถ้าจริงชัยตอนเนี่ยเป็นศัตรูอย่างชัดเจนอดูมูบินสําหรับมนุษย์ ต, ตลอดปรนะวัติศาสตร์นะฮะในบียาคุบเนี่ยเล่าตลอดหมายถึงว่าตักเตือนตลอดว่านี่คือประเด็นสําคัญที่พี่พแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากการกระซิบกระซาบของชัยตอนและ ให้นบียูซุปเข้าใจชัดเจนว่าคนที่เป็นศัตรูไม่ใช่พี่ๆแต่คือชัยตอนอ่าและหลังจากนั้นแล้วเราก็ได้กล่าวว่ากาซาลิกยาสตาบีกะอันนี้เราก็ได้ศึกษาไปแล้วนะครับทวนดังกล่าวนี้แหละยาสตาบีกรอบบุกะพระเจ้าของเจ้าอ่าใช้คําว่ารอบบุกะพระเจ้าของเจ้าองค์อภิบาลของเจ้าคือผู้ดูแลชีวิตเจ้าพ่อบอกกับลูกได้คัดเลือกเจ้ายาสตาบีกะตรงนี้สําคัญมาก นี่คือคําสอนที่ทรงคุณค่าคือสอนให้รู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้ดูแลชีวิตไม่ใช่คุณพ่อเป็นผู้ดูแลตลอดทุกฝีก้าวและเป็นคําสอนที่ท่านลูกมานเนี่ยได้มอบให้กับลูกยาบูนัยเยอินนะฮะอินตะกุมิสกอละฮับบะตินมินคอร์ดัลโอลูกเอ๋ยหาความผิดจะเท่ากับเมล็ดผักกาดพ่อไม่เห็นใครไม่เห็นแต่อัลลอฮ์เห็นซ่อนอยู่ในก้อนหินอยู่ในชั้นฟ้าอยู่ในใต้แผ่นดินก็ตามนะฮะยะติบบฮัลลอฮ์อัลลอฮ์สามารถนํามาได้ เช่นเดียวกันนบียาคูบอะลัยสุลามเนี่ยสอนให้ลูกรู้ว่ายะตาบีกาลบูกะผู้ดูแลเจ้าเนี่ยจะคัดเลือกเจ้าก็คืออัลลอฮ์นบียาคูบเนี่ยเป็นนบีใช่ไหมฮะแล้วก็รู้เลยว่าฝันทํานองนี้ไม่ได้เป็นฝันธรรมดาเป็นฝันดีแต่ไม่รู้ว่าเป็นการทํานายฝันอะไรแล้วก็บอกกับนบียูซุฟว่ายุฮันลิมูกะมินตะวีลิละฮัดิดและอัลลอฮ์จะสอนเจ้าถึงการทํานายฝัน เราได้เคยพูดไปแล้วว่าอิสลามเอาใจใส่เรื่องการทำนายเรื่องความฝันสำคัญมากชีวิตของเราเนี่ยดำเนินบนความฝันไม่ได้ความฝันเฉพาะตอนนอนหลับนอนหลับเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วประมาณ 1.3 ส่วนสหรือหรือถึง 1.4 ส่วนของชีวิตถูกฮะถ้าเรานอน8ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับ 1.3 ส่วนสชีวิตถ้าเรานอน6ชั่วโมงก็คือ1ส่วนสของชีวิตก็โดยประมาณแสดงว่าการนอนหลับเนี่ย เวลานานมากถ้าอิสลามไม่ได้พูดถึงความฝันหรือการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการนอนหลับแสดงว่าขาดการอธิบายบางช่วงของชีวิตซึ่งมีระยะเวลาที่นานหนึ่งส่วนสมเนี่ยเยอะมากทนบีบดุลสลูสุกะซีป์หนเนี่ยเยอะ13ึของชีวิตเรานอนหลับและมีความเกี่ยวข้ของกับความฝันดังนั้นอิสลามต้องเข้ามาสอนเกี่ยวกับความฝันและส่วนหนึ่งจากสัญ ญ, ญาณแห่งการเป็นนบีที่หลงเหลืออยู่หลังจากท่านนายบีสโลลสัมเสียชีวิตไปแล้วก็คือ ความฝันที่เป็นจริงโดยเฉพาะของมุสลิมอรุยาอสอดิคนะฮะแม้แต่ไม่ใช่มุสลิมเองในเรื่องนี้นะฮะมีความฝันสี่ความฝันความฝันของนบิยูซุปความฝันและะยาวที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดสองสามคือความฝันของคนที่อยู่ในเรือนจำถูกไหมฮะสองคนที่เป็นชาวคุกฝันดีกับอีกคนหนึ่งฝันไม่ดีและสี่ก็คือความฝันของกษัตริย์ที่กินเวลาที่ประมาณสิบห้าปีเป็นความฝันที่กินวงกว้าง แ่ขอนบียูซุฟเนี่ยทรงอิทธิพลแล้วก็มีความยาวนานมากที่สุดนะครับนั่นแสดว่าอิสลามเนี่ยเรื่องในสุรยูซุฟนะฮะดำเนินเรื่องทั้งหมดเนี่ยบนความฝันดาวสิอดวงอะไรดาว11ดว ง, ดวดวงสยูดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่ชีวิตนบียูซุฟเนี่ยออกเร่เห่เล่นไปอยู่กลางป่าถูกพี่ๆจับโยนไปถูกจับขายเป็นทาสไปอยู่ไหนต่อฮะ ขายเป็นทาสเข้าไปอยู่ในวังนะฮะถูกจุไรคล่อลวงเข้าไปอยู่ในเรือนจำออกมาอยู่ในจากเรือนจำพี่ๆเดินทางมาหาค้าขายทำเอ่อการค้าดูแลการคลังของอียิปต์จกนกระทั่งพี่ๆเนี่ยแล้วก็ครอบครัวงท่านนโมดเนี่ยกลับมาหานายบิซุฟทั้งหมดนี้เพื่อตอบสนองความฝันของนายบิซุฟอะลัยอิสลามเห็นไหมฮะ แสดงว่าเรื่องนี้ทั้งหมดดาเนินไปบนความฝันและชีวิตท่านนบีสุลตมเช่นเดียวกันวัวฮีช่วงแรกๆท่านอาย่างไอชาโรดิยัลละวนนั้นรายงานช่วงแรกก่อนจะรับวัวฮีเนี่ยนบีมักฝันจริงฝันที่เป็นจริงหมายถึงว่าหลับไปตื่นขึ้นมาตอนสุโบสเนี่ยโดยเวลาสุโบสโดยเฉพาะนะฮะพราตื่นขึ้นมาเป็นไปตามที่ฝันเหมือนกับนบีอิบราฮิมอะลัยซ์ ส, สามก็เคยฝันในเรื่องต่างๆมากมายใช่ไหมครับดังนั้นรุยรุยแอมเบีย วาหุนความฝันของบรรดานาบีทั้งหลายเป็นวาฮีที่มาจากอ AH. ัลลอฮ์ดังนั้นซาดิจเอาใจใส่กับความฝันเรื่องทั้งหมดนะฮะความฝันที่หมายถึงการนอนหลับและอีความฝันหนึ่งสําคัญเช่นกันคือความใฝ่ฝันซึ่งเกิดขึ้นเช่นกันในชีวิตของการนอนหลับนี่คือความฝันของนบียูซุฟส่วนขณะตื่นนี่คือความฝันของนบียะกูบตลอดชีวิตของท่านตั้งแต่ต้ตตนเรื่องนะฮะลูกหายไปตั้งแต่ต้ตตนต้นของเรื่องใช่ไหมฮะ นบียุากูปอัลลอฮ์ยังคงฝันถึงลูกตลอดและหวังดีต่ออัลลอฮ์ว่าวันหนึ่งจะได้พบกับลูกยังไม่ชิ้นหว่าแต่เสียใจเสียใจกับการจากไปของลูกแต่ขณะเดียวกันมีความหวังตลอดมีความใฝ่ฝันว่าจะเจอกับลูกนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยดำเนินไปสองฝันฝันฮานบียุซุฟขณะนอนหลับเรื่องดําเนินไปและฝันฮานบียากรูปอิสลามก็สอนว่าฝันความใฝ่ฝันเนี่ยฝันสิ่งใดอัลละฮ์ก็จะให้สิ่งนั้น เนที่ฮะดิษกุรอสีที่เราบอกอันาอินดอซอนเนียบดีบีค่าอยู่ที่ความคิดของเบาวอินซอนะคอยรอนฟลลูหูหาเขาคิดดีเขาได้ตามนั้นว่าอินซอนะชรานฟลลูหูหาคิดไม่ดีได้ตามนั้นและเป็นเรื่องที่น่าปแปลกผมนําเสนอพี่น้องครั้งก่อนถ้าจำไม่ผิดนะฮะเนบียะกุ๊ปเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกที่ชีวิตของลูกชายคนหนึ่งเนี่ยจากท่านไปคือตัวนบีอูซุฟนะฮะจำได้ใช่ไหมฮะนบียะกุ๊ปพูดว่าอะไรนี่ที่ผ ม, มานําเสนอพี่น้องมั น, มนเหมือนกับว่าเป็นมันเป็ น, เ ป, นเป็นตัวศาสตร์ แต่ตัวเล่าเรื่องเดี๋ยวจะเราเข้าเนื้อหาด้วยหายไปทั้งคนนบียูซุฟเนี่ยคุณพ่อพูดว่าอะไรพ อ, อ, อลูกๆมาเล่าเอาหลักฐานเท็จมานำเสนอกับคุณพ่อใช่ไหมฮะปรากฏว่านบียะกุฟพูดว่าบัลซาวะ ล, ละสลกุมอัลฟุสุกุมอัลรอพวกเจ้าแต่งเรื่องขึ้นมาฟาซอบรุญจามีลฉันจะอดทนอย่างดีพี่น้องจะดูนะฮะ คำพูดของนบียะกุปูปช่วงที่นบีวูซุฟหายมีส่วนเหมือนกับตอนที่บิญเยมีนหายและมีส่วนต่างส่วนแรกเนี่ยเหมือนกันส่วนหลังเนี่ยไม่เหมือนกันผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันเนื่องจากความคิดอันนี้แน่นอนนะครับาบอกว่าค่าอยู่ที่ความคิดของเอาส่วนแรก ที่เหมือนกันเนี่ยอันนี้เหมือนกันทั้งสอ ง, สองฝั่งฮะช่วงนาบิวซุพหายเนี่ยคุณพ่อพูดกับพี่ๆนาบิวซุบแบบนี้ช่วงเบญจมินหายในยช่วงแรกหมายถึงว่าประโยคแรกเนี่ยฮะพูดเหมือนกันก็คือ <_ AD> บัลเซวัลละกุมอัมฟุสุกุมอัมรอฟซาบารุนญจมีลพวกเจ้าแต่งเรื่องขึ้นมาฉันจะอดทนอย่างดีงามตอนเบยจมินหายก็บอกว่าพวกเจ้าแต่งเรื่องขึ้นมาฉันจะอดทนอย่างดีงามแต่ประโยคหลังเนี่ยประโยคหลังเนี่ยไม่เหมือนกัน ตอนน บ, บีอูซุฟหายเนี่ยคุณพ่อคือน บ, บียะคุบกล่าวว่าวะลลอฮุลมุสตานุอัลามาตุสิฟูนแล้วก็เป็นเทคนิคของเราคือน บ, บียะคุบบอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเจ้าอธิบายหรือบอกกล่าวมอบมอบหมายต่ออัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ดีงามมอบหมายต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลืออีลาสตันตะฟัสตัยบินแล้วท่านน บ, บีอุมมอสอสแม่บอกว่าเมื่อท่านจะขอความช่วยเหลือต่อใครเนี่ยจงขอต่ออัลลอฮ์ น บ, บียากรุปมอบทั้งหมดขอร้องเป็นผู้ช่วยเหลื อ, อซึ่งตรงตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากแต่แตกต่างคำพูดนี้แตกต่างกับตอนที่นา บ, บียากุปกล่าวตอนบเบนเยมีนหายเาลาราช่วยเหลือดูแลนา บ, บิยูซุปอย่างดีแต่ตอนที่บเบนเยมีนหายเนี่ยนา บ, บียากุปพูดอะไรประโยคประโยหลังไม่ได้บอกว่ า, อ, าอะไรนะฮะว่ลลาลอหุนมุสตานแล้ว แต่บอกว่าอัสสลลูอัยยะตินีบิฮิมจะมีอาหวังว่าอัลลอฮ์จะนําพวกเขากลับมาหาฉันทั้งหมดและนี่เป็นจุดพอเวลาคิดลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยตอนแรกก็เป็นคิปมาที่เราไม่ได้ให้น บ, บียะกุ๊กล่าวในทันทีทันนะเพราะจะได้ดำเนินเรื่องอต่อใช่ไหมฮะแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อน บ, บีอะกุ๊กล่าวไม่ระยะเวลาไม่นานเป็นเหตุทํำให้น บ, บีอะกุ๊ได้พบกับลูกๆทั้งหมด ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมคือจากเมืองกันอานไปสู่เมืองอียิปต์ซึ่งเป็นมีความศีวิไลัเนี่ยมากกว่าเห็นฮะนี่ก็คือพลังแห่งความคิดซึ่งเขาเอาไป เ, เขียนเป็นหนังสือเลยนะฮะไม่ใช่มุสลิม The Secret r ต์ร da ด้าเบินเขาไปรวบรวมมาแล้วบอกว่ามันอยู่ที่กดแรงดึงดูดนะฮะคิดอะไรก็ได้ตามนั้นซึ่งมันมีหลักการอยู่ใน hadis ท่านนาบีไปกดซีอนาอินนซอนีอบับดบีและมีอยู่ในเนื้อหาในอัลกุรอาน คิดอย่างไรเนี่ยก็จะได้ตามที่ตนเองคิดนะครับดังนั้นก็บริหารอะไรฮะบริหารความคิดเนี่เป็นจุดที่สําคัญมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ศาสตร์แหความสําเร็จและเราศึกษาให้มีความละเอียดอ่อนในอันกุรานนะฮะคำสอนของคุณพ่อที่มีต่อลูกคือมันไม่ใช่ว่าเรื่องเดียวนะในอันกุรานสุยุทธ์เนี่ยน่าสนใจคือมีหลายเรื่องและมีรายละเอียดมุมต่างๆที่น่าสนใจในทุกประเด็น วอลลิมุกามินตะวี ล, ลอาฮัดิแล้วก็นอกจากนบีอัลลอฮ์จะสอนให้นบียูซุฟรูก้การทํานายฝันแล้วเนี่ยว่าอยู่ทิมมูเนียมัตฮูอะไรกัและจะทําให้ความโปรดปรานของพระองค์เนี่ยแก่เจ้าสมบูรณ์มนุษย์ทุกคนได้รับความโปรดปานแต่คนที่ได้รับความโปรดปานสมบูรณ์คือได้รับอิสลามมือทางนําจากอัลลอฮ์ไม่มีใครในโลกนี้ไม่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์แต่ไม่มีใครจะได้รับแบบสมบูรณ์นอกจากได้รับทางนําจากอัลลอฮ์ นะฮะกามาอะตัมมาห์เหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ให้มันสมบูรณ์มาแล้วแก่ใครครับอลาอะบบวัวกะปู่ทั้งสองของเจ้าก็คือก่อนหน้านี้คืออิบรอฮีมนี่ปู่ทวดและอิสฮะใครฮะคุณปู่ปู่ทวดแล้วก็ปู่แสดงว่าครอบครัวนี้นี่คือครอบครัวที่ได้รับความจำเรนย ม, มากที่บอกกับพี่น้องว่าสี่คนเป็นนบีติดต่อ ไม่มีนบีท่านใดที่ไม่มีชุดใดฮะที่มีลูกหลานติดต่อไม่ได้มีใครมาแทรกเลยนะฮะไม่ใช่ว่ามีใครที่เป็นไม่ใช่นบีมาแทรกติดต่อเนี่ยสี่คนคือนบีอิบราฮีมนบีอิสฮา ก, น บ, ากบนบียะคูบนบียูซุปอะเลฮิมุสลาตัวสสลความประเสริฐของครอบครัวนี้และทั้งหมดนี้ก็คือใครครับต้นตระกูลของบนออันิอิสราเอลอ่ะแล้วเราก็บอกอินนารบบกะนบียะคบบอก แท้จริงพระเจ้าของเจ้าผู้ดูแลชีวิตเจ้าน่ยอาลีมุนเป็นผู้รอบรู้ฮะกิมรอบรู้ในเรื่องราวของเจ้าทั้งหมดและฮะกิมคือรู้ว่าเหมาะสมช่วงใดเดี๋ยวอลล็อกก็จะค่อยๆสอนค่อยๆเปิดเผยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตชีวิตเราเช่นเดียวกันถ้าเราตระหนักว่าอลล็อกเป็นผู้ดูแลนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างดีทั้งหมดไม่มีช่วงใดชีวิตของเราไม่ดีเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถ หาสิ่งที่ดีหรือมองมุมดีจากกำหนดที่อัลลอฮฺสุบฮานอห์ตะลให้เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับหลังจากนั้นเราจะศึกษากันประมาณสามอายะนะครับอินชออลลสามถึงสีอายะอัลลอฮฺสุบฮานห์ตะลได้กล่าวอูซบิลลาฮ์มิเนชอนโรจิมแล้วก็ได้กล่าวในอยูซุฟะและ إخوة ที่ هأيةطلسائلين قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَة إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أُقْتُلُوا يُوسُفَ أ َ و ِ طَرَحُوهُ أ َ ر ْ ض َ ي ي َ خ ْ ل ُ ل لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا م ِ ن بَعْدِهِ ق َ و ْ م ً صَالِحِينَ قال قائلٌ منهم لا تقتلو يوسف وألقوه وأ في غياب الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فعلين เราได้กล่าวว่าอ่ะอันนี้เทคนิคในการเล่าเรื่องอันนี้กลับมาหมวดการเล่าเรื่องนะฮะมีหลายหมวดใช่ฮะกลับมาหมวดการเล่าเรื่อง เทคนิคการเล่าเรื่องอัลลอฮ์บอกตอนต้นสุร้อนเนี่ยว่านฮานุนักุสซาเลกะอัพสนันกัสเราจะเล่าเรื่องให้แก่เจ้าอัลลอฮ์พระเจ้าเล่าเรื่องให้แก่ผู้ที่เรารักมากที่สุดคือใครครับท่านนาบีซอลลัลละและเล่าเรื่องอะไรฮะเล่าเรื่องให้แก่คนที่ประเสริฐที่สุดเรื่องนี้ก็คือเรื่องของนบีอูซุฟอะลัยอิสลามท่านนาบีเคยบอกนบีอซุฟนี่คือกะรีมอิบนุกะรีมอิบนุกะรีมอิบนุคอลีลไอ้ที่บอกว่าตระกูลของนบีอนะูซุฟตระกูลที่ดีที่สุด เป็นตระกูลแห่งตักวัวยังเปลี่ยนต่อร้อนนะครับเอาเล่าให้แก่คนผู้ที่เอเลาะรักมากที่สุดในเรื่องที่ดีที่สุดและด้วยการเล่าเลือ่องอัสนันกสัสอย่างดีที่สุดดังนั้นจะไม่มีเรื่องอะไรที่ดีกว่าเรื่องนี้กันแล้วเห็นไหมคไม่มีการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องใดที่จะงดงามกว่าการที่เอเลาะเล่าเรื่องราวของนบีอูสุฟอีกแล้วนั่นแสดงว่า เราก็จะเห็นว่าเทคนิคการเล่าเรื่องสำคัญนะครับอะไรบ้างเก็บได้ทั้งหมดเลยนะฮะ บ, บางส่วนที่เราได้บทเรียนเนี่ยผมจะนำเสน อ, อเช่นการเล่าเรื่องเนี่ยไม่ควรที่จะเล่าแบบว่านิทานแบบตอนต้นจ น, นจบเนื้อเรื่องอย่างเดียวแม้ว่าจะไม่ผิดนะฮะแต่ว่าควรจะมีบทเรียนสอสแทรกเป็นครั้งคราวบทเรียนสำคัญเพราะเรื่องเราจะไม่มีประโยชน์หาก ปราศจากบทบทเรียนจะศึกษาทําไมเรื่องเราเหมือนเหมือนกับนิทานอีสบต่างๆใช่ไหมฮะนิทานอีสบเวลาเขาจะเล่าเขาจะมาสรุปตอนท้ายแต่ที่ดีที่สุดคือการสอดแทรกระหว่างการเล่าเพราะอะไรฮะเพราะมันกาลังอินอยู่สรุปตอนท้ายแล้วเราจะรู้สึกแต่สมมติเราเล่าให้กับลูกหรือเราเคยฟังตอนเด็กๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันก็จบแล้วฮะอารมณ์มันหมดแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตึงๆๆอะไรบ้างใช่ไหมฮะ แต่สําหรับถ้าเราสอดแทรกเห็นไหมเรื่องนี้เนี่ยคนทําแบบนี้จะได้แบบนั้นแบบนี้อ่ะอลัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาเนี่ ใ, นใช้เทคนิคการเล่าเรื่องที่สวยงามมากเล่าอยู่อันนีียูซุฟกาลังฝันเล่าให้คุณพ่อฟังคุณพ่อแนะนําแล้วเราก็ได้บอกแล้วก็เดกเนีฟียูซุฟเวอไควอตีสอดแทรกตรงการาลางอัลลอฮ์กล่าวสอดแทรกตรงกลางเลยว่าความจริงแล้วเรื่องราวของยูซุฟนี่กําลังแบบว่าจุดน่าสนใจน่าสนใจยูซุฟกาลังฝัน เล่าให้กับคุณพ่อพ่อจะไปเล่านะท้ายจึงใช้ตอนเป็นศัตรูแล้วนี้เอเล็ก เ, เลือกกําลังติดตามอยู่เอเล็กเปลี่ยนมานซีฮัด ต, ตักเตือนให้บทเรียนความจริงแล้วเรื่องราวของยูซุฟและพี่พี่พี่พน้องของเขาเนี่ยเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับผู้ที่ถามผู้ที่ถามคือใครครับอาจจะเป็นของชาวยิวหรือเป็ น, ปนของบรรดาสฮาบ์บะที่เรียกร้องให้ท่านอับดุบีเนี่ยเล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเขาฟังหน่อย เหมือนกับท er ี um ่คนอื่นเขามีนิทานเล่ากันเป็นนิยายประเิมปราบ้างอะไรบ้างท่านในบีก็ไม่ได้นำเรื่องราวมาให้ใช่ไหมฮะคือเป็นคุรานตลอดกุรานแต่เราก็ประทานอายะน์ลงมานะฮะเราจะเล่าเองเ้าบอกนะครับแล้วก็บอกขั้นเนี่ยขั้นตอนก็คือขั้นระหว่างการเล่าบอกว่าเรื่องราวของยูซุฟและพี่น้องของเขาเนี่ย มีสัญญาณมีบทเรียนมากมายสำหรับผู้ที่ถามหมายถึงว่าการศึกษาเรื่องราวคอนบิยูซุปเนี่ยการศึกษาเรียนรู้เนี่ยจาเป็นต้องเก็บบทเรียนและเก็บบทเรียนทั้งตัวเนื้อหาและสำนวนหรือวิธีการเล่าเรื่องอันนี้ก็เอาไปใช้ได้เนี่ยคือสวยงามมากนะครับจะไม่ได้คือประโยชน์ของการเล่าเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการตัสลียภาษาไทยคือจันลงใจคนชอบการเล่าเรื่อง ไม่เบื่อทําไมฮะเพราะมันเป็นเรื่องราวมันเป็นชีวิตคนเนี่ยมันมีบทสนทนามีเหตุการณ์จินตนาการเนี่ยมันออกไม่ใช่เป็นหลักการและส่วนบางทีหลักการเนี่ยหลักการก็ดีเทคนิคในการนําเสนอเรื่องราวที่ดีคืออะไรฮะบอกหลักการยกตัวอย่างสรุปด้วยกับหลักการเช่นเดียวกันที่ล็อตสุภานโนํานเสนอเนี่ยแบบนี้นะฮะคือไม่ไม่ใช่เฉพาะสุรยูซุปอย่างเดียวสุรยูอื่นอื่น เรื่องราวของนบีท่านอื่นๆเนี่ยก็จะบอกหลักการมีตัวอย่างแล้วก็มีสรุปเช่นสุรหุษอะไร伊ามเป็นต้นนะครับเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ سبحانه ะุ์ุห์แต่ละก็จะบอกในเรื่องราวของนบีอูซุฟเนี่ยมีตัวหลักการแล้วก็มีตัวอย่างเห็นภาพการที่เล่าเรื่องเนี่ยทำให้ไม่เบื่อหนายแต่ไม่เบื่อนายอย่างเดียวเนี่ยไม่พอไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายคือบทเรียนเพื่อมาเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่จุด เราบอกว่าเล่าเอ่อนำเสนอเป็นเชิงทฤษฎีเป็นเชิงข้อมูลอย่างเดียวหลักการอย่างเดียวเนี่ยมันน่าเบื่อก็ต้องมีเรื่องเล่าดังนั้นกุราน จ, จํานวนมากทําไมเล่าเรื่องเยอะฮะเอา ล, ล่อรู้จิตใจของมนุษย์เนี่ยมันโน้มเอียงไปทางเบื่อศึกษากุราน จ, จึงไม่เบื่ออุตส่มายหมัวฝันบอกว่าถ้าหัวใจของพวกเราเนี่ยบริสุทธิ์นะฮะไม่มีทางเบื่อหน่ายจากอันกุรานอิสกอลูอ่าเอาล่อกลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งตัด้ากมาอีกที อิ It, ก็คือจงระลึกขณะที่นี่คือประเด็นนะฮะการโฟกัสเวลาเล่าเรื่องนี่คือต้องโฟกัสจุดนี้ไม่ใช่เล่าทั้งหมดแต่บอกว่าตรงนี้สําคัญก็ต้องโฟกัสเอาใ จ, It, จา่อิทจงรำลึกขณะที่เห็นไหมฮะเรื่องบางทีเนี่ยเยอะพี่น้องลองดูบางทีศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยเองหรือของไม่ใช่ไทยเองนะฮะเป็นยังไงฮะเล่าหมดเบื่อไหมฮะเบื่อถูกไหมฮะ บาทีปีเปล่าอะไรเนะี่ยก็ใส่กันเยอะมากมายไม่ได้สําคัญอะไรเยอะแต่บางทีก็ถูกบ้างผิดบ้างถูกไหมฮะพี่ต้องจะสังเกตดูมีไหมฮะมาบอกปีอ่าปีที่เท่าไหร่อยู่ซุปเกิดยังไงอายุยังไม่ได้บอกเลยเพราะเนื่องจากไม่สําคัญอาจจะมีรู้บ้างประกอบเล็กน้อยเนี่ยได้แต่ประเด็นสําคัญคือเรื่องไหนเนี่ยเข้าเรื่องเลยอันนี้คือเทคนิคเล่าเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็โฟกัสจุดที่ต้องการจะชี้ บทสนทนาอื่นๆเนี่ยตัดไปเอาบทสนทนาที่เป็นประเด็นของเรื่องเข้าไป น, นี่คือจุดสำคัญในการเล่าเรื่องทำให้ไม่น่าเบื่อทำให้ตื่นตาตื่นใจตลอดอ <c oughs> จนล่มลึกขณะที่เรื่องตกประเด็นไหนฮะก็รู้พวกเขากล่าวคือพี่ๆนาบิูซุฟ์กล่าวแก่คุณพ่อกล่าวว่าไลายูซูฟูอาคูฮตอนนี้ยังไม่ได้กล่าวคพ่อต ะ, ะกล่าวกันเองปรึกษากันเอง กล่าวระหว่างกันเนี่ยว่ายูซุฟและน้องชายของเขาเนี่ยเป็นที่รักอาฮบบุอิแลาบินากับคุณพ่อของพวกเรามินนามากกว่าตัวพวกเราเองอ่านี่คือกาลังพูดกันวานฮนูอุสบะทั้งที่พวกเรามีจํานวนมากกว่าอินน์อาบานาแท้จริงคุณพ่อของพวกเราเนี่ยละฟีร์ลาลิมมูบินคือพลาดไปแล้วที่ไปรับยูซุฟและ น้องชายของเขาเนี่ยมากกว่าทําไมฮะพวกเราเนี่คือน่าจะมากกว่าพ่อน่าจะรักมากกว่าแต่เนื่องจากนาบีอูซุปมีทั้งความน่ารักนบีอูซุปเป็นลูกคนเล็กกว่านาบีอูซุปมีความฉลาดใช้แววบอคุณพ่ออุลมามะเขาเลยบอกบางทีการแสดงออกซึ่งความรักลูกคนหนึ่งคนใดมากกว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ลูกๆอิจฉาได้แต่นี้คือวลลของอัลลอฮฺ น, นบีอะบุลบาลาหิสลุลามนะฮะคือท่านมาอซูมแน่นอนแต่ว่า บางทีลูกๆอาจจะไปเห็นเองว่าคุณพ่อรักมากกว่าหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เห็นว่าดูแลน้องมากกว่าตรงนี้ก็จุดสําคัญนะฮะแล้วก็เป็นคําสอนบทเรียนเนยว่าคุณพ่อทุกคนที่มีลูกโดยเฉพาะลูกอาจจะเล็กกว่าต้องเอาใจใส่ความรู้สึกของลูกคนโตโตดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เขารู้สึกแม้ว่าเขาจะโตกว่าในอายุก็จริงแต่ชื่อเขาเป็นลูกเหมือนกันจะลูกเล็กลูกโตลูกคนโตก็จะรู้สึกเหมือนกัน นี่คือคําสอนทอี่ก็ต้องเอาใจใส่แยบ ย, ยนที่เราได้พูดถึงในหมวดของครอบครัวนะฮะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็เช่นเดียวกันการปรึกษาหารือกันอันนี้คื อ, อในหมวดของครอบครัวหรือในหมวดของอะไรฮะหมวดสังคมทั่วๆไป <c oughs> การพูดคุยกันเนี่ยในภาษาอังกฤษเรียกกันกระซิบนะฮะนาวาการกระซิบถ้ากระซิบกันในสิ่งที่ดีในการทําความดีเนี่ยดี แต่กระซิบกันในการนินทาว่าร้ายหรือทําให้คิดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยอิสารามถือว่ามีนัชเยตอนอินนามนัจวามินัชเชยตอนแท้จริงการกระซิบกันเพื่อทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมีนัชเยตอนจากใครฮะเชยตอนเพื่ออะไรเรียฮัจุนละจีนอาอามานูเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธาเสียใจนี่เป็นความจริงหลายกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตเราะนะนี่คือนัจวามินัชเชยตอนสอดคล้องไหมฮะ ส่วของที่น บ, บียะกรสอนกับน บ, บียูซุฟอินนชัยอ um um ินนชัยนีลิลอินซานอดูมบินนะฮะที่น บ, บีอ um um ินนะชัยต้นีลิลอินซานอดูมบินนังชัยตาเป็นสตรตั ว, ตวากดอย่างชัดเจนกับมนุษย์อ่าปรึกษากันแล้วบอกคุณพ่อเนี่ยผิดแล้วแล้วก็มีคนหนึ่งกล่าวอุกุตูลูยูซุฟอ่อย่างนั้นต้องจัดการพอรักมากกว่าทำไงฮะนี่คือ ความอิจฉาทิษยาบรรลุถึงบางทีเนี่ยรุนแรงมากฆ่ายูซุฟเลยอันนี้มาแบบแรงเลยนะฮะสายโหดใครครับเนี่ยเราเราต้องไม่ลืมมันเชิงประวัติศาสตร์ทำให้เราเห็นภาพปัจจุบันใครครับการศึกษาชีวิตของใครใครครับบัน้อิสราเอลเราเห็นภาพไหมฮะนี่ขนาดน้องแท้แท้ แ, ทแม่ต่างแม่นะต่างบรรดานะแต่เขาสามารถ ฆ่าได้หรืออย่างน้อยมีแนวคิดว่าสังหารเลยเห็นไหมครับตอนนี้โซอิลก็คือก็าสายโหดก็เยอะใช่ไหมฮะเห็นภาพแล้วไอ้ฆ่าเลยฆ่าใครเนี่ยฮะยูซุฟน้องไม่ทําอะไรอุกตุลูยูซุฟหรืออวิตรหูหูอาร์อารอ์โดหรือโยนเอาไปทิ้งกลางป่ากลางเขากลางอะไรไปทิ้งไกลๆเลยเพื่ออะไร ยาคุรุลากุมวาชุฮาเพื่อความเอาใจใส่หรือใบหน้าของคุณพ่อของพวกเจ้าเนี่ยจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าจะพ่อจะได้หันมาเอาใจใส่กับพวกเจ้าเท่านั้นวาตะกูนุและพวกเจ้าจะได้เป็นหลังจากนั้นเนี่ยมิมบาดีหีหลังที่ทาดังกล่าวไปนะฮะเก้มันซอลิฮินเป็นคนดีหมายถึงว่าจะได้เตาบัรตัวหลังจากนั้น อุลมะเขาบอกว่าการตั <virtually> ้งใจทําความผิดในตอนนี้นะฮะนี่กำลังจะทําความผิดวางแผนเพื่อทําความผิดแล้ววางแผนเตาบัดตัวในขณะเดียวกันเนี่ยการเตาบัดตัวไม่ถูกต้องเพราะมันไม่ครบเงื่อนไขถูกไหมฮะเงื่อนไขหนึ่งของการเตาบัดตัวคือขณะนี้เนี่ยไม่ทําความผิดและต้องตั้งใจจะไม่ทําความผิดแต่ถ้าตั้งใจจะทําความผิดและตั้งใจเตาบัดตัวหลังจากนั้นเนี่ยการเตาบัดตัวหรือตั้งใจตาบัดตัวเนี่ยไม่ถูกต้องดังนั้นนี่คือ ก า, ก, าการการกระทําและการเจตนานในเจตนานไม่ดีไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าลอสุบฮานอะหัวตะแลกก็เล่ า, เ ล, าเล่าในส่วนที่เปิดเผยทั้งหมดความชั่วความเลวต่างๆมีระดับคนชั่วคนไม่ดีเนี่ยเราจะไม่เหมารวมว่าคือเลวเท่ากันทั้งหมดไม่บางคนมีความยิติธรรมอยู่บ้างหรือมีจิตใจที่อ่อนโยนอยู่บ้างอย่างเช่นในอายะต่อไปนะครับ ก้อละก้ออีลุนอ่น่าจะเป็นอญญายะสุดท้ายที่เราศึกษาในวันนี้ใช่หรอก้อละอลก้ออีลุนมีคนนึงกล่าวมินหุมบางทัศนะบอกว่าเขาคือยาหูซาชื่อยาหูซาบางทัศนะบอกนี่เป็นพี่คนโตที่สุดของดับียูซุฟพี่คนโตส่วนใหญ่นี่จะเป็นอะไรฮะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอินดูน้องๆ้องหน่อยนะฮะแล้วอุลมะเขาบอกว่าเป็นคนที่เออ มีความฉลาดมากที่สุดแม้ว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยก็เป็นความผิดความชั่วความเลวเหมือนกันถูกไหมฮะแต่อุลามะเขาบอกอัคอฟุดดอร์ไน์ความผิดมันมีสองระดับบางคนก็บอกว่าจะเล่นเล่นหนักเลยบางคนบอกเอาเอาเบาเบาก็พอเบอเบานี่บาปไหมฮะบาปเป็นบาปใหญ่เหมือนกันเสียฮะแต่อัยิยุรงบอกว่าเอาเอาเอาตายเลยนะฮะอันนี้คือแบบหนักถูกไหมฮะ กอลกาอิลุมมินฮุมคนหนึ่งในหมู่พวกเขาเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นใครจริงๆแล้วไม่ได้บอกนะฮะเดี๋ยวจะมีอีกกรณีหนึ่งเลยที่บอกชัดเจนช่วงที่น้องคนที่สองหายก็คือบบนเยมีนเนี่ยหมายถึงว่าจะไม่ได้กลับไปหาคุณพ่ออีกอายะหนึ่งตอนนู้นเลยนะฮะเาลาเราจะบอกชัดเจนเลยคืออักบารุฮมุมคือคนโตที่สุดกับบีรูฮมุมอักบารุฮมุมคนโตที่สุดในหมู่พวกเขาเนี่ย แสดงความรับผิดชอบว่าฉันจะไม่กลับไปหาคุณพ่อจนกว่าคุณพ่อจะอนุญาตหรือเรตัดสินเรื่องนี้คือรับผิดชอบฮะว่าสัญญากับล้อแล้วกับคุณพ่อนะว่าจะนําน้องกลับมาให้ได้พี่เนี่ยแสดงความรับผิดชอบคนโตอันนี้คือลักษณะของพี่คนโตเป็นลักษณะที่ดีน ะ, ะครั้งนี้เช่นเดียวกันเขาก็เลยบอกว่าลาตะกตูลูยูซุเกินไปแล้วพวกท่านพวกเจ้าต้องการอะไรเอาแค่เป้าหมายฉันก็เห็นด้วยกับพวกท่านใช่ไหมฮะ เห็นด้วยกันน้องๆเห็นกับน้องๆว่ายูซุฟเนี่ยพ่อเขรักมากเกินไปแต่การที่จะฆ่าแกงกัะอันนี้มันเกินไปเกินไปนี่แสดงว่ามีจิตใจที่แบบว่าอ่อนโยนเหมือนกันแล้วก็ให้ความยุติธรรมอะฮะความผิดต่างๆเนี่ยเรายุติธรรมไม่ใช่ว่าคนนึ่งทำความผิดอีกคนหนึ่งทำความผิดเหมือนกันแล้วเราเหมารวมแบบไม่ได้ให้ความเป็นธรรมว่าเอานี้คือระดับผิดเหมือนกันแต่ว่าเบากว่าก็เลยสั่งกันวลาตะกตุลูยูซุฟอย่าฆ่ายูซุฟฆ่าได้ยังไงยูซุฟ แตให้ทําสิ่งนี้แทนวัลกูฮูฟีลอยาบตินยุบโยนเขาลงไปในบ่อลึกลอยาบะอยยาบตินยุบก็คื อ, อบ่อลึกออที่มืดมิดนะฮะเพื่ออะไรฮะเขาจะได้ไม่ตายคือจับไปแล้วเนี่ยและเป็นเขาบอกว่านักต่อซูกบอกว่าเป็นบ่อที่เป็นที่รู้จักกันสําหรับชาวเมืองกันอานขณะนั้นซึ่งเป็นบ่อน้ําจะมีกองคาราวานเนี่ยผ่านมาแน่ๆ แล้วกองคารวานเนี่ยรู้ว่ามีเด็กอยู่เนี่ยเขาก็จะจับไปเป็นท่าสมัยก่อนใช่ไหมฮะและจับไปขายเมืองอื่นเพราะกองคารวานเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่คือจุดที่เป็นเป้าหมายแล้วไม่ต้องถึงฆ่าแกงกันไม่ต้องถึงฆ่าแกงกันแล้วนี่ก็เป็นกำหนดของลอสุบะฮานอหัวตานะฮะยันตะกิตฮูบาดุสัยยารรเพื่อที่จะได้เก็บตัวเข้าไปใครบาบูนี้แปลว่าบางส่วนไซยาร่เนี่ยเดิม ในสมัยก่อนสยาร์ปัจจุบันนี้นะฮะแปลว่ารถยนต์รถยนต์ในสยาร์แต่สมัยก่อนเนี่ยสยาร์หมายถึงว่ากองคาราวานซึ่งความหมายของรถยนต์กับกองคาราวานในใกล้เคียงกันทำไมฮะสยาร์มาจากคาว่าซ่าโรยซีรุซีร์ร์แปลว่าดําเนินซ่าร์สยาร์นี่คือการดําเนินไปแบบว่าอย่างต่อนเนื่องแบบเอ่อไปเรื่อยๆกองคาราวานเนี่ยเป็นเช่นนี้ ใช่ไฮะสมัยก่อนเนี่ยเดินอย่างต่อเ น, นื่องเป็นกลุ่มเนี่ยก็คือเขาก็ใช้เป็นกองคาราวานพอหยุดแล้วเนี่ยการหยุดที่บ่อ น, าน้าหยุดที่พักเนี่ยนะฮะเหมือนกับหยุดปั๊มน้ํามันในปัจจุบันนี้รถก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีการหยุดพักทั้งตัวพาหารนะและพักทั้งตัวคนเราก็เหมือนกันเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมฮะมีหยุดพัก ป, ปั๊มน้ํามันทําไมครับพักพาหารนะดับเครื่องอะไรบ้างและพักทั้งตัวคนเข้าห้องน้ำเออซื้อ อะไรต่างๆตามรั า, า, า, าสะดวกซื้อใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยคำศั์เนี่ยก็คือคล้ายคืนกันบาบุษซยรอเพื่อที่จะให้บางกองคารวานเนี่ยมาเจอตัวเขาแล้วก็เก็บตัวยูซุฟไปเลยอินกุนตุมฟาอิลีนหากพวกเจ้าเนี่ยจะปฏิบัติการดังกล่าวและนี่ก็คือจุดที่ปรึกษาหารือกันระหว่างพี่ๆแล้วเป็นจุดที่ต้องการจะจัดการนบียูซุฟอะลัยสลา เสียอยากจะฝากเอาไว้ในช่วงตอนท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเผื่อพี่น้องมีประเด็นเสริมหรือว่าต้องการซักถามประเด็นใดในชั่วล่ะก็คือเรื่องกอดเบ้อและกอดัเรื่องนี้เนี่ยเราลรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราให้เกิดขึ้นการกระทำของพี่พี่เป็นการกระทำที่ผิดหรือถูกครับผิดหราจะถือว่าเป็นความชั่วใช่ไหมฮะพี่พี่ทเนี่ยเป็นความชั่วเป็นความผิด แต่การที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาให้ความชั่วความผิดเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอนุญาตของอัลลอฮ์ไหมครับอนุญาตของอัลลอฮ์ซึ่งหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยจะถือว่าเป็นฮิกมะหรือว่าอัลลอฮ์มีมีฮะกีมอินนารบกะอาลีมุนฮะกิมอัลลอฮ์เป็นผู้รอบรู้และปริชาญานที่เราอนุญาตให้เกิดเนี่ยเนื่องจากอัลลอฮ์มีอะไรบางอย่างที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้นะฮะเรา เควรที่จะเข้าใจอะไรก็ตามมาประสบกับเราเนี่ยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็จะเชื่อว่านั่นเป็นกําหนดของหล่อแต่เราจะอ้างไม่ได้เวลาทําความชั่วตัวเราเนี่ยเราไม่รู้เราจะมาอ้างแบบนี้เนี่ยไม่ได้เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่เรารู้เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติคือปฏิบัติตามความรู้และคนจะมาบอกว่าเออพี่น้องนบียูซุฟเนี่ยไม่ผิดหรอกได้ไหมฮะไม่ได้ เพราะอะครับพ่อบอกเขาจะมาบอกว่าอ๋อเพราอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นก็เลยไม่ผิดเพราะอัลลอฮ์ให้เป็นผู้ให้เกิดขึ้นถ้าอัลลอฮ์ประสงค์เนี่ยเหมือนกับผู้บรรดามุชริกินกล่าวไม่เข้าใจขอรอกขอดัศเขาบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ประสงค์เนี่ยพวกเราจะไม่ปฏิเสธศรัทธาแล้วก็จะศรัทธากันหมดแล้วก็มีคนถามใช่ไหมฮะถามคนบอกว่าเออพระเจ้าพระว่าพระเจ้ามีจริงแล้วทําไมพระเจ้าถึงสร้างคนที่ศรัทธาคนที่ปฏิเสธมีคนดีมีคนชั่วทําไมต้องให้มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์มีความชั่วต่างๆมั่วมีสงคราม ทำไมให้เกิดแบบนี้หน้าที่อัลลอฮ์นะทุกอย่างเนี่ยมีฮิกม้าทั้งสิ้นอเราเป็นเจ้าของทั้งสิ้นและเราสร้างอย่างมีเหตุผลอย่างมีฮิกมะนะ้หน้าที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละแต่ที่มนุษย์เนี่ยมนุษย์จะมาอ้างว่าจะทําความผิดทําความชั่วในมุมของตัวเองเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ได้มีฮิกม้าแบบนั้นถูกไหมฮะแต่หน้าที่ของเราคือปฏิบัติตามความรู้ นี่สิ่งที่เป็นความดีที่อัลลอฮฺสุบฮานอา ห, หุตาได้สั่งใช้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะฝากเอาไว้อาจจะมันเป็นประเด็ น, นที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนหน่อยในส่วนของกอตากอดัดนะครับแต่ว่าเพื่ อ, เ, อ, อเราค่อยๆเข้าใจในส่วนของกอตากอดัดนี่ผมก็พูดหลายครั้งนะครับแล้วค่อยๆพูดไปเรื่อยๆเป็นประเด็นที่เข้าใจอาจจะเข้าใจซับซ้อนหน่อยแต่ว่าเราควรจะเรียนรู้แล้วก็เพื่อที่จะ เกตประเด็นเหล่านี้เนี่ยเราจะได้เข้าใจองค์รวมของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยสรุปเลยในเชคคอมด د เนี่ยเคยพูดถึงเรื่องกอลล็อกกอัตคืออะไรฮะอย่างคนบอกว่ารู้แล้วเอาล็อกําหนดแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะคนนี้เป็นชาวสวรรค์คนนี้เป็นชาวนรกหรือเป็นยังไงเป็นคนที่มีความสุขความทุกข์ในโลกหน้าชาวสวรรค์ชาวนรกแล้วทำไมเราต้องทําอะไรอีกในเมื่ อ, อล็อกําหนดแล้วใช่ล็อกําหนดแล้วแล้วล็อกําหนดทุกอย่าง แต่คำถามคือเราเราเชื่อใช่ไหมอัลลอฮ์กำหนดใช่แต่ถามว่าเรารู้ไหมว่าอัลลอฮ์กำหนดอะไรรู้ไหมฮะไม่รู้อัลละฮ์กาหนดอะไรเราถูกสั่งห้ามปฏิบัติตามสิ่งที่ไม่รู้นั้นเราไม่รู้อัลลอฮ์กำหนดอะไรเราจะมาบอกว่าอ๋อที่ฉันดื่มเหล้าฉันไม่ทําความดีฉันไม่ละหมาดฉันจีนาผิดประเวณีเนี่ยพ อ, อละกำหนดจะผิดสองกระทงนะกระทงแรกคือ ทำความผิดนั้นๆจินาดื่มสุราไม่ละหมาดกระทงที่สองคือการกล่าวอ้างสิ่งที่ตนเองไม่รู้กล่าวอ้างอัลลอฮ์โดยที่ตนเองไม่รู้คําถามว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์กาหนดแบบนี้กล่าวอ้างเองเนี่ยไม่รู้แม้ว่ามันจะสอดคล้องหรือมันจะตรงกันก็ตามแต่คุณไม่มีทางรู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตตะลาได้กําหนดอะไรดังนั้นเนี่ยมีความผิดสองกระทงแล้วเราต้องปฏิบัติยังไงฮะ ปฏิบัติตามความรู้ตรงนี้จุดสําคัญมากเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์กำหนดอะไรแล้วก็อย่าไปไปมั่วๆว่าอาลัลลอฮ์คงกําหนดให้เราทําความชั่วไม่เราไม่รู้อลัลลอฮ์กำหนดอะไรแต่ที่เรารู้คืออลัลลอฮ์สั่งให้เราทําความดีออกห่างจากความชั่วเราปฏิบัติตามความรู้อย่าปฏิบัติตามความไม่รู้ของเรานะครับไอ น, นี้ก็เป็นประโยชน์ของการเรียนรู้กอร์ดอกรัดส่วน ในในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนก็รอก็รักทำให้เราเนี่ยไม่ทีโพลทีไพแม้สมมติอดีตของเราจะแย่ขนาดไหนก็ตามแล้วคนอื่นจะมาตำหนิเฮ้ยทามาเป็นเคร่งทามาเป็นละหมาดทำมาเป็นเอ่อฟังบรรยายทํามาเป็นเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยก่อนก็อยู่กับฉันมาแบบนี้นี่คนในเดินจำอะไรบางทีเขาเขาก็ถูกกล่าวหาแบบนี้เยอะนะฮะสามารถจะบอกได้ว่าสิ่งอดีตที่ฉันเคยทําไม่ดีเนะี่ย อัลลอฮ์กำหนดแล้วคุณจะตําหนิการกําหนดขอร้องได้อย่างไร <S <S ตอนนี้ฉันเต่าบัตรตัวแล้วนี่คือประโยชน์ของขอรอกรดั๊เนี่ยฮะไม่ใช่ว่าประโยชน์เพื่อที่จะไปกล่าวอ้างทําความผิดไม่แต่ประโยชน์คือฉันเต่าบัตรตัวแล้วแล้วฉันจะเปลี่ยนแปลงไงทำยังไงอะได้ยังไงต่อก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดนี่คือประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทําความชั่วแต่ประโยชน์เพื่อเป็นเกราะ ป, ป้องกันไม่ให้คนอื่นมาตําหนิเราเมื่อเรากลับตัวเป็นคนดีแล้ว นี่ก็เป็นจุดที่อยากจะฝากเอาไว้ในส่วนสุดท้ายนะครับขอรลอะหวังว่าเราจะได้รับประโยชน์กันโดยทั่วกันขอรลล้องมีประเด็นไหนที่ต้องการเพิ่มเติมหรือสักถามไหมครับใชครับ ยาูซานีก็คือเป็นเป็นพี่น้องคนหนึ่งของนาบิอุุฟร่วมบีดานฮะร่วมมันดาเดียวกันด้วยครับอีกสิบคนที่เหลือทั้งหมดสิบสองคนใช่ครับสิบคนนี่คือเป็นพี่น้องกลุ่มหนึ่งคือมันดาหนึ่ง อีกสองคนนี่คืออีกมันดาหนึ่งครับแล้วก็ที่เห็นเนี่ยดวงดาวสิบเอ็ดดวงสิบเอ็ดดวงที่ว่านี้ก็คือรวมหึงเบนิบิ ญ, ญามีนด้วยดวงอาทิตย์ก็คือคุณพ่อดวงจันทร์ก็คือคุณแม่ไรตูฮมุมลีซาจิดินเห็นสุยุดสมัยก่อนนี้สุยุดไม่เป็นที่ต้องห้ามนะครับน้องห่ารับการการพูดงาน กากอ่นการมาารมาใารมาการมาการมาการมาการมการมาารมาการาการมากรมาการมากระยการอาารมาการมาารมากาาการมาการมาการมาการมากราการมาการาการาการมาการมีการมาการมการมาการมาการมาามากากาาราารรกราราาการาราการราาา ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นในภาษาอังกฤษก็คือวิชัน่นคือวิสัยทัศน์นี่คือรุญานะซึ่งมันก็คล้ายๆกับรุยาคือมันเห็นอะไรในอนาคตเนะ่ยเขามีมวิชั่นนี่คือรู้ว่าทิศทางจะเป็นแบบนี้ปฏิบัติเตรียมตัวก่อนแล้วมันจะเกิดขึ้นแบบนี้นี่คือเป็นศาสตร์เหมือนกันซึ่งคนที่จะมองเนี่ยก็คือคนที่มีประสบการณ์คนที่มีความรู้คนที่อะไรต่างๆเนี่ยมากมายนะรู้ว่านี่เทรนกระแสะของโลกเนะี่ยมาแบบนี้ให้ทําแบบนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนอีกคำหนึ่งก็คือคล้ายกันก็คือมาจากรักษ์เดียวกันก็คือรุยารุยานี่คืออะไรฮะการเห็นเหมือนกันแต่การเห็นในฝันสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นและมีความเกี่ยวข้องถ้าเป็นรุยานี่หมายถึงว่ารุยามีน ล, ล้อมาจากอัลลอฮ์คือจะเกิดขึ้นตามนั้นการที่เรารู้รุญาเนี่ยเป็นประโยชน์คล้ายๆกับรุญาประยชน์ยงไงฮะเราจะได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องว่าจะเป็นอย่างไรคำถามคือคนใดบ้างที่สามารถที่จะทํานายฝันได้ไม่ใช่คนทั่วๆไป จำเป็นที่ต้องคนที่มีความรู้กีตาบุลล์และซุนนะอย่างเช่นบรรดาสฮาบาะท่านนาบีซอลสมคือแน่นอนแล้วก็บรรดาสฮาบะที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนาบีรวมถึงบรรดาอุลมามะที่มีความรู้ในกีตาบุลล์และซุนนะของท่านนาบีซึ่งการทํานฝันเนี่ยการทํานฝันคือเป็นส่วนหนึ่งจากอมินอัลามาตินนุบูะสัญญาณแห่งการเป็นนบีอุลมามะบางท่านเขาก็จะเลยบอกบอกนะครับว่า เขาเคยถูกให้ทํำนายฝันให้หน่อยเขาบอกว่าฉันไม่สามารถจะทํานายได้ไม่กล้าที่จะเอาสัญญาณแห่งการเป็นนบีเนี่ยมาทํานายแต่สําหรับคนที่มีความรู้แล้วก็บางทีจําเป็นที่จะต้องให้คําตอบบางอย่างโดยเฉพาะกับบางเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมหรือแม้แต่ส่วนตัวเขาก็ตามนะฮะอย่างอย่างนบีอูซุฟอะลัยซ์อัลลอหรืออย่างอิหมัมที่เป็นที่รู้จักกันมีตํำรับตารายอิหมัมอิบนุซีรีนอย่างเงี้ยฮะ ก็เป็นเขียนตำราหรือว่าการทำนายฝันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตำราหเหล่านี้เนี่ยถอดรหัสรหัสเนี่ยมาจากอันกุรานและก็สุนนะและรวมถึงการทดลองทำนายของบรรดาอุลามาในยุกคก่อนก่อยุคยุคซาส์ลาฟเด ว, ว่าเออเขาเห็นแบบนั้นแล้วจะเป็นแบบนี้การตีความซึ่งไม่เสมอไปคือมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนที่ทานายฝันและขึ้นอยู่กับตัวของผู้ทำนายฝันเอง ขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมต่างๆที่จะทำนายนั้นนี่คือไม่ใช่คนทั่วๆไปที่จะสามารถทํานายฝันได้ก็จะให้เป็นอุลุมะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอุลุมะทั่วไปก็คือเป็นอุลุมะที่มีความรู้ศาสตร์เหล่านี้เป็นการเฉพาะแต่พื้นฐา น, นมีในกุตตานแน่นอนคือในสุรยูซุขนะฮะแล้วก็มีในสุนัขของท่านน บ, บีซัลลอห์นะ บ, บีซัลลอห์เนี่ยก็จะมีในช่วงยามเช้าเนี่ยก็จะมั ก, มกจะให้ซาฮับอันนี้ผม เ, เขียนในหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะไม่ใช่เขียนคือแปล ร้อหนึ่ง เ, งเรื่องเล่าอบูบักอัสซิดีครองเรียบร้อยของอนุเขาจะมีท่านอบูบักเนี่ยก็เป็นนักทํานายฝันคนหนึ่งท่านนบีก็จะถามหลังชัตซูโบนถามว่าเออเมื่อคืนมีใครฝันอะไรไหมถ้ามีใครฝันเนี่ยนบีก็จะให้ซาร์บา บ, บางคนเนี่ยลองทํานายแต่ภายใต้การควบคุมท่านนบีซอลลัลนะคนนี้เนี่ยทำนายแบบนี้มุมมองแบบนี้ความเฉียบคมซึ่งการทํานายฝันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอะไรฮะของความฉลาดหรือไหวพริบต่างๆประสบการณ์ด้วย แล้วก็เป็นคนที่เห็นอะไรในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เห็นอาะดูอย่างในบิวซุฟอะไรที่แสดงการทำนายฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหมายถึงว่าคนที่เอาศาสตร์มาถูกต้องนะฮะไม่เหมือนกับพวกหมอดูหมอเดาต่างๆเอาศาสตร์มาถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีหมายถึงไงฮะเพราะบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีการเตรียมพร้อมพราถือว่าเป็นสัญญาณจากอัลลอฮ์อะลามะตุนนูบูะสัญญาณที่การเป็นนบีสัญญาณที่มาจากอัลลอฮ์ซึ่งถ้าหากเรารู้เนี่ยเราสามารถที่จะ ให้เป็นบทเรียนเป็นข้อเตือนใจเราเองเช่นการฝันของกษัตริย์ที่เมืองอียิปต์ฝันว่าเห็นวัวอ้วนเจดตัวมีวัวผอมเจตัวมากินมีข้าวเจดรวงที่สมบูรณ์ข้าวแห้งอีกเจดรวงมากินข้าวทีอว่อ้วนดังเล่านะฮะข้าวที่เต็มอุดมสมบูรณ์ฝันแปลกมากปรากฏว่าให้นบียูซุฟทํานายนบียูซุฟก็ทำนายนบียูซุฟไม่ได้แค่ทำนายอย่างเดียวนะฮะ บอกถึงวิธีการแก้ไขว่าที่ฝันเนี่ยมันความหมายคือแบบนี้และบอกแนะนำวิธีการทำให้กษัตริย์ขณะนั้นเนี่ยประทับใจในคำทานายเน้นแสดงว่าการทำนายฝันเนี่ยไม่เพียงแค่การทำนายอย่างเดียวแต่ทั้งทำนายและให้ทางออกว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรไเป็นต้นนะครับบนหล่อหัวลำ ใช่ฮะคือใช่เราใช่ฮะก็หวังว่าสมมุติเขาเรียกว่าเป็นตาฟาอุลการพูดในสิ่งที่เอิดน่าจะเป็นแบบนี้เป็นความดีงามซึ่งมันมีบางความฝันที่เราเรียกว่าตามเนื้อความฝัน หมายถึงว่าถ้าเราฝันในสิ่งที่ดีได้เจอกับท่านนาบีสอรอสันแลบอกลักษณะตรงกับบุคคลิกของท่านนาบีเองสอรอสก็น่าจะเป็นฝันดีแน่นอนมันตีความเป็นอื่นไม่ได้นะเห็นความสว่างอะไรต่างๆนี่คือเป็นทางนําเป็นต้นนะครับ เ, เราส า, สามารถทำนายฝันได้ไหมคือถ้าเปเราศึกษากุรานศึกษาสุนนะคลุกคลีอยู่กับหลักการขอนเราก็อินชอนเหรคือไม่จําเป็นว่าการทํานายฝันจะต้องถูกต้องเสมอไป แต่บางบางทีเน Syria, him him on, ี่ยการทํานายคือเพื่อไม่ให้มันเป็นความเขาเรียกว่าความวุ่นวายไม่ใช่ว่าคนนี้เฝันแล้วแล้วก็คนนั้นมาทํานายคนนี้มาทํานายคนนู้นมาทํานายมันมันอาจจะมันจะมั่วไปหมดอะไรเงี้ยฮะนั้นนี่ก็คือให้คนที่มีความรู้เฉพาะทางทํานายหรือถ้าเราต้องการนี่คืออาจจะส่วนตัวเนี่ยพอได้เพื่อไม่ต้องการที่จะให้เกิดความวุ่นวายในสังคมว่าคนคนนี้ทำนายคนมันจะเป็นเหมือนกับว่า คนอาจจะมองภาพลักษณ์ของ伊斯兰ไอ้伊ามเป็นแบบนี้หรือถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีความรู้มีความเฉพาะทางในเรื่องนี้เนี่ยแล้วเขาทํานายซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมีผิดมีถูกมีละเอียดไม่ละเอียดต่างๆนะครับก็เป็นไปได้รอฮะอัลลอฮ์ลลนะครับใช่ฮะใช่ฮะคือ เพราะนาบีอัลชาอตอนไม่สามารถแปลงเป็นชันได้นบีบอกกับซอฮาบะซึ่งซอฮาบะเนี่ยเห็นนบี ส, ละละละสะุลตหมายถึงว่ารู้นี่คือนบีถูกไหมฮะช้ตอนไม่สามารถแปลงเป็นนบีได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าชาอีตอนจะไม่สามารถอ้างตนว่าเป็นนบีได้นึกออกไหมฮหมายถึงว่าอ่าคนอาจจะไม่เคยเห็นนบีอย่างพวกเราใช่ไหมฮะแล้วฝันว่าอ่ามีคนหนึ่งมาแล้วบอกว่าฉันเป็นนบีให้ทาแบบนั้นแบบนี้ หน้านี่ไม่ใช่นบีเลยและมากล่าวอ้างนาบีไม่ได้บอกว่าชัยตอนจะไม่สามารถที่จะมากล่าวอ้างว่าฉันเป็นนบีได้แต่ถ้ามาเป็นท่านนาบีจริงๆซึ่งใครที่จะรู้นะฮะก็คือบรรดาซาบะเคยเห็นหน้าท่านนาบีชัดเจนคนงจะไม่มีใครบอกว่านี่ไม่ไมใช่ท่านนาบีนะฮะคือเห็นชัดเจนชัยตอนไม่สามารถจําแลงได้2ก็คือคนที่รู้ลักษณะหน้าตาบุคลิกของท่านนาบีซอสนบีลักษณะอย่างไรกันนี้ก็จะมีอย่างเช่นใน หนังสือของอิหม่ามติรมีจีนะฮะชมาอิลมุฮัมหมัดีอะก็คือมีแปลเป็นไทยนะฮะบุคลิกของท่านนบีซอลสำในลักษณะต่างๆ่าใบหน้าท่านอย่างไรคราเป็นอย่างไรไหลกว้างอย่างไรหนาผากท่านอย่างไรคิ้วอย่างไงจะบอกละเอียดสหบาศในรายงานงนั้นเนี่ยครเวลาสมมติเราอาจจะไม่รู้เนี่ยไปบอกกับอุลามะอย่างไงอุลามะก็อาจจะถามอย่งไงแต่งตัวอย่างไงอ่านบีก็คือจะแต่ง ใส่ต๊บใช่ไหมฮะต๊บที่แบบว่าไม่เลยก็คือครึ่งนักแข่งไว้ไงอ่าแล้วก็มีคราเข้าเป็นยังไงดกไม้จนกระทั่งมีบางรายงานซอรบา้าเขานับนับเส้นงอของท่านในาบีซอลล์คือความละเอียดในการเอาใจใส่ในบุ ค, คลิกของท่านนาบีซอลลเองนะฮะดังนั้นนี่คือเออชัยตอนไม่สามารถจําแรงเป็นนบีได้อันนี้คือชัดชัดเจนถ้าเราเห็นลนักษณะนี่ใช่แล้วเนี่ยนั่นคือนบีซอลล์คนอะไรทั้งหล่ะสองก็คือ แต่ไม่ได้หมายถึงการชัยตอนจะไม่สามารถอ้างว่าตนเองเป็นนบีทั้งนั้นที่ไม่ใช่บุคลิกของท่านนาบี so สุลแล้วดังนั้นเนี่ยเวลาอุลามาเขาจะแนะนําก็คือให้เล่าว่าที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรหน้าตาก็เป็นอย่างไรเห็นแบบนี้ไหมมาทําอะไรก็สําคัญเหมือนกันถ้าเออบอกว่าในฝันให้มาบอกว่าเออดื่มเหล้าได้แล้วทําความผิดทำความชั่วต่างๆเป็นต้นนะฮะอันนี้แน่นอนเป็นไปไม่ได้เพราะหลักการพื้นฐานของอิสลามเนี่ยคือ มีชัดเจนถูกหฮะหลักการที่ชัดเจนแต่อยู่ดีหลักการอื่นหรือความฝันเนี่ยจะมาลบล้างหลักการที่ชัดเจนเนี่ยไม่ได้นะครับอัลลอฮหัวาใช่ครับ ใช่ฮะใช่ฮะใช่ฮะไม่ใช่นะไม่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถทำนายได้เนี่ยไม่น่าจะมีอุลมะเขาบอกว่าไม่สามารถทำนายฝันได้คือสามารถทำนายได้แต่ที่เขาบอกว่าเาความวระความตักวาหรือความไม่กล้าเขาก็จะบอกว่าคือฉันฉันไม่สามารถจะทำนายได้ ไม่ได้หมายถึงว่าห้ามทํานายฝันหมายถึงว่าคือคือคุณจะมาให้ชั้นที่อาจจะความรู้ไม่ได้ตกผลึกในในเรื่องนี้ไม่ได้ศึกษาโดยตรงเนี่ยจให้ชั้นทํานายสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยอันนี้ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าศาสตร์แห่งการทํานายฝันไม่มีศาสตร์การนายฝันมีแต่ชั้นด้วยความวอร์รของอุลมาบางท่านก็บอกว่าเออชั้นจะไม่ไม่สามารถทํานายได้นะครับวอร์ร์ครั บ, บใช่ฮะ Uh huh. อันนี้ผมผมไม่ไม่ทราบก็ต้องถามเข า, เานะฮะแต่ว่าบนพื้นฐาเนเยคืออย่างน้อยสุรยุซุฟทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีหนึ่งของีเอ่อเฮบุคอรดีเนี่ยก็จะมีตาอบีรในตำราหรือในหมวดหมวดที่ว่าตาอบีุรุยาคือหมวดการทำนายฝัน นี่ก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ท่านนบีองที่เป็นคนทํานายฝันในบีก็ให้ซอฮาบะในมีการทํานายฝันในบางคนที่มีใครฝันอะไรไหมในหนังสือที่ผมบอกว่าของของมุฮัมมัดซิดิกมินชาวีนะฮะเขาจะมีอ้างอิงข้างล่างพี่น้องไปดูกันเ่งร้1ยเเรื่องราวของอบูบักซิดิกก็จะมีบางส่วนที่อบูบักทํานายอุมัตทานายแบบนี้ เอาบัางทำนายอีกแบบหนึ่งซึ่งมีความคมชัดคนไหนมากกว่าหรือคนไหนน้อยกว่าเนี่ยอาจจะแตกต่างกันซึ่งแ ล, แล้วบางครั้งในการทํานายฝันเนี่ยอาจจะคนนี้ก็ทํานายถูกแต่คนนี้เนี่ยมีความคมมากกว่าคือใช้คําว่าอะไรนะฮะตะวีเ ล, ลอฮาดิสคือการทํานายหรือการตีความความฝันนั้นเหมือนกับอายะอันกุราอานเราก็อรุยามี ล, ล, ละลอ ความฝันที่เป็นจิกมาจากอัลลอฮ์เหมือนกับอายะฮ์คุรานเนี่ยเป็นไปได้ว่าคนหนึ่งเข้าใจในมุมหนึ่งซึ่งไม่ผิดเหมือนกับอิบนาอับบาสรอเดียลลอห์อันฮูมาเนี่ยเคยถูกเชิญไปช่วงที่อุมัดกําลังเป็นผู้นํานะฮะซึ่งเขายังเป็นเด็กอยู่อับดุลย์นูอับบาสแล้วก็บรรดาชาวคนที่อยู่รอบๆอุมัด บ, บ, บอกว่าท่านถ้าเอาเด็กๆแบบนี้มาในวงพวกเราเราก็จะเอาลูกหลานของพวกเรามาได้แต่ไม่ อวยโมเขาท็อปเนี่ยได้ให้ท่านเอมบูอับบาสเนี่ยได้ให้ตีความบางอัยยะจึะ่งเป็นไฮบรุนอุมะเป็นผู้ที่มีความรู้คลังแห่งประชาชาติมันคงมีความรู้มากไอ้จัตศีความหมายแบบนี้ว่าอย่างไงถ้าผมจะไม่ผิดเป็นซุรออันนัสอิซาจานะฮะนัสสุลอยวนฟัเขาบอกอ้ออัยะนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าเมื่อชัยชนะของอัลลอฮ์มาถึงแล้วเนี่ยก็ให้ทําแบบนั้นแบบนี้อเอมบูอับบาสได้พูดอีกอย่างนึ่งที่ผู้บอกว่าเมื่อชัยชนะของอัลลอฮ์มาแล้วเนี่ยหมายถึงว่า อายัลของท่านนาบีเนี่ยใกล้มาถึงแล้วเห็นไหมฮะซึ่งการตัฟซีดอยายะห์เนี่ยคนแรกหรือกลุ่มบรรดาซาบะอุโซเนี่ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่มุมมองของออบนุอับบาสมีความลึกซึ้งคือเก็ตประเด็นโดยรวมเนี่ยมากกว่าโดยท่านเนี่ยบอกว่าไงฮะบอกว่าอ๋อในเมื่อชัยชนะของเอามาถึงแล้วและเห็นคนเข้ารับธิส s l เป็นกลุ่มๆแล้ว แล้วก็ฟะซาบเบียฮ์บิฮัมดีรับบีกวาสตักฟิร์อินหุการนตาตาวะบะนั่นแสดงว่าอ๋อภารกิจของท่านนาบีสมบูรณ์แล้วนี่คือเข้าใจได้ภารกิจสมบูรณ์แล้วแล้วก็ยังไงต่ออ๋อก็แสดงว่านาบีก็หมดหน้าที่แล้วก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วอิบนาอับบาสก็เลยบอกว่าจุดนี้เนี่ยฉันเข้าใจว่านั่นเป็นจุดที่ท่านนาบีใกล้ถึงอาจันคออัลลอฮ์แล้วมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งถามว่าคนแรกไม่ผิดกลุ่มแรกไม่ผิด แต่คนอย่างอินโนบสัสมีความมีมุมมองที่เฉียบคมกว่านะครับการทำนายฝันก็ลักษณะเดียวกันคนนึงอาจจะทํานายว่าเออเป็นเหตุการณ์แบบนี้ความดีโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นแต่คนหนึงบอกไม่ใช่นี่คือน่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นสิ่ง น, น, งนี้เหมือนกับใครครับท่านใน บ, บิวซุฟฟาริสลามที่ท่านได้ทํานายท่านทํานายแบบว่าละเอียดมากกอร์ตัสตราอุนับอาร์ซีนีนดาอาบาอะไรวัวอ้วนเจ็ดตัวท่านทำนาย รวงข้าวสมบูรณ์เจ็ดรวงนะฮะเจ็ดปีเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์อีกเจ็ดปีแล้วทํำยังไงเจ็ปีอุดมสมบูรณ์เนี่ยกินเท่าที่กินส่วนที่เหลือนี่คือเก็บไม่เก็บก่อนเก็บก่อนอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งขอโทษทีแ่บิซุปไม่ได้บอกกินก่อนนะฮะเก็บก่อนนี่เป็นเทคนิคในการอีกส่วนหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าเทคนิคในการ บริหารการเงินซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยตกม้าตายคือไปเก็บทีหลังสังเกตไหมฮะเราจะออมเมื่อไหร่ฮะออมเมื่อเหลือซึ่งสูตรการออมเมื่อเหลือเนี่ยเป็นสูตรที่ผิดแต่นบิยูซุฟแนะนําคือกออลลลลตตบบบฟฟมุุส่วนที่ได้จากการเพาะปลูกมาเจ็ปีนี้เนี่ยหลัก เอาไปเก็บก่อนเหลือนิดเดียวเนะี่ยเอามากินเช่นเดียวกันนี่คือเนี่ยที่บอกว่าสูตรบริหารการเงินของอบเบียสุบเรามาใช้ได้ได้เงินเดือนมาคนส่วนใหญ่ทําไงครับใช้ก่อนเหลือทำอะไรฮะออมแบบนี้เนี่ยผิดต้องทำอะไรก่อนฮะหักไปก่อนจะเก็บเท่าไหร่เก็บที่เหลือคือใช้เท่านั้นแหละใช้ให้พอและนี่คือประสบความสําเร็จในการออมเนี่ยมากกว่าเห็นไหมฮับดุลเบียสุบนี่คือท่านแนะนําแบบนี้อ่ะ แล้วก็ส่วนอีกเจ็ดปีนี่คือการทำนายฝันเหมือนกันนะฮะซุ ม, มะอะไรน ะ, ะยะติมิมบลิกะซับอนช ด, ดุยะุลนมกัดดัมตุมลาุนนอิลาลีลมิมาสิอ่อันนี้คือเป็นปีแห่งการกินนอกจากบางส่วนที่อะไรฮะเอาไปต่อยอดแสดงว่าบางสถานการณ์ในการบริหารจัดการการเงินหรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยถ้าช่วงที่มีเนี่ยเก็บก่อน แต่ช่วงที่ไม่มีเนี่ยกินก่อนแล้วก็ที่เหลือค่อยไปต่อยอดเห็นภาพไหมฮะนิความสวยงามที่น บ, บิลซุปอะไรแซมที่ทำนายฝันแล้วก็อุลมามะบอกว่าน บ, บิลซุปนอกจากทํานายฝัน7จดเจดแล้วนะฮะจบที่ขะสั์ฝันแล้วแถมให้อีกปีหนึ่งซุ่มมายะตีมิมบาดีเซอร์กัอามุนฟีฮิวอัตุน่าซูฟีฮิอาซรุนจะมาอีกปีหนึ่งที่ฝนจะตกมากมายถ้าแต่ยังไงเ น, นี่ยจาประสบการณ์น บ, บิลซุปยังไงทําไมถึงน บ, บิลซุปว่าเข้าใจแบบนี้ ที่บอกว่าเขาถ้าจบเจ็ดปีก็จบใช่ไหมฮะแต่จะมีซุปเนี่ยคือเข้าใจลึกซึ้งเนื่องจากว่าเมื่อเจ็ดปีอุดมสมบูรณ์เจ็ดปีแห้งแล้งอุดมสมบูรณ์อย่างมากแห้งแล้งอย่างมากพอจบเจ็ดปีแล้วแล้วก็อีกปีปีถัดมาจะเป็นไงฮะก็ต้องฝ น, นก็ต้องมาเพราะมันจบเจ็ปีแห้งแล้งแล้วมิ ق ل ม ثم ي ิ ت ي من بعد ذلك آمون فيه ุ ث ا า ن ا س وفيه يعصرون ก็จะเป็นปีที่ฝนตกอย่างมากและเป็นปีที่คนก็จะกลับมาคั้นองุ่นที่เป็นเล่าเดี๋ยวต่อกันนะแสดงว่านี้ก็คือคือที่บอกว่าความละเอียดของนบิวซุฟฟาริสติสลามก็จะมีมีมากขึ้นแถมให้นะฮะแล้วก็ยังมีบทเรียนอีกมากมายเชอร์ลอสมีประเด็นอื่นไหมครับท่านเฉยอ๋อไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ กาฟิตรถทำนายนี่คือเขาไม่ได้ใช้ศาสตร์กิตาบุร้อนและสุนนะอัลลอฮ์บอกว่ากุลลายะละมุลไวบะกุลลายะละมุลฟิสมาวาจุบันอัลลอฮ์ไวบะอิลลอห์จงกล่าวเธอมาหมายว่าไม่มีใครที่จะรู้ความลับทั้งหลายจากชั้นฟ้าและแผ่นดินนอกจากอัลลอฮ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าการทำนายฝันเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจากตัวผู้ทํานายนี่คือเน้นนะฮะแต่มาจากหลักฐานต่างๆที่อุลมามะเขารวบรวมตั้งแต่สมัยท่นานนบี และบรรดาชาวซาลฟ์ต่างๆนะคะสัญญาณนี้ความหมายอะไรอายะที่อ้างอิงอย่างไงฮานิสอ้างอิงอย่างไรแต่บรรดานักทายทักต่างๆที่เขาอาจจะทำนายนะฮะเขาไม่ได้มีคุรานอันนี้แน่นอนถ้าเขาทํานายคือการเรีรับสิ่งได้รับที่บอกอรุยาหมินอัลลอฮ์ความฝันที่เป็นจริงที่มาจากอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์หมายถึงไงก็ต้องมาจากอัลลอฮ์การอธิบายก็ต้องมาจากอัลลอฮ์ หมายถึงว่ามีหลักฐานแต่ถามว่าคนที่ตีความหรือทํำนายฝันเป็นไปได้ไหมผิดพลาดก็ไม่ได้เหมือนกับอัานคุรานคนเข้าใจถูกมีเข้าใจผิดพลาดมีแต่หวังว่าคนที่มีความรู้ในการตีความในการเข้าใจกุรานนะฮะถ้าวินิจฉัยถูกก็ได้สองได้ทั้งความถูกและได้ทั้งการวินิจฉัยวินิจฉัยผิดก็ได้หนึ่งความผิดพลาดเราไม่คิดแต่การวินิจฉัยบนพื้นฐานของความรู้ได้ความดีก็เช่นเดียวกันการทำนายฝันถ้าทำนายมั่วๆ่ะอาจจะผิด หรือไปเอาสตร์อื่นที่นอกจากกีตบุลล์และซุนนะอันนี้ก็เป็นศาสตร์ที่ไม่เป็นที่ยอมรับของอัลลอฮ์ก็จะเป็นการเดาอาจจะเอามาจากชัยตอนก็ได้ซึ่งสวนทางกับอัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงนะครับอัลลอฮ์หัละใช่ฮะใช่ฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเป็นฝันที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเล่า มางคนรู้ฝันไม่ดีนะฮะแล้ท่านนาบีก็จะบอกฝันที่แบบว่ายุ่งเหยิงแล้วเคยฝันกันใช่ไหมฮะฝันที่แบบมั่วๆฝันที่แบบแปลกมากไม่ต้องเล่าตื่นขึ้นมาเนี่ยถมน้ำลายไปข้างซ้ายสามครั้งก็เหมือนกับคนในคุกในเรือนจำที่มาฝันฝันนกมากิน อ, อ, อะไรนะกินขนมปังบนศีรษะแต่พอทำนายแล้วมันก็ต้องเกิดตามนั้นนะฮะถ้าทานายตามศาสตร์ ในราย ง, งานของตับซิดเดเขาบอกว่าชายคนนึงบอกว่าขันว่าอะไรนะฮะยาซิรุคมรออารอนีอาซิรุคมรอฉันเนี่ยขันเหล้าคนนึงฝันว่าอารอนีอาฮามิลูฟะอกอรอซีคุบะจันตะคุลุ ต, ตอยตะคุลุตไยรุมินนกเนี่ยมากินขนมปังบนหัวน บ, บีนาบีตะวีลีจงทํานายฝันให้หน่อยน บ, บียูซุฟฟาริซามพอทานายแล้วคนนึงบอกว่าคนนี้กลับไปหากษัตริย์ไปรอดพ้น ีคนหนึ่งบอกว่าโดนทหารชีวิตตึงไม้คางเขนแล้วก็นกจะมาจิกมุนที่หัวอ๋อไม่ฉันไม่ไม่ได้ฝันแล้วฉันไม่ได้ฝันแบบนั้นหรอกนบิซุกบอกกูเดียลอัมรุลลาดีฟีตัสเตฟติยานเรียบร้อยแล้วจะฝันมัไม่ฝันก็เป็นแล้วถูกกาหนดไปเรียบร้อยแล้วกูเดียลอัมดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าฝันไม่ดีหรือว่าอันเมันถ้าไม่เล่าเนี่ยก็จะดีกว่าแต่บางอย่างเช่น อิบนูอุมาร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเราเราอันโรมันเคยฝันฝันครั้งหนึ่งฝันแปลกมากพี่น้องไปดูในหนังสือของผมดิที่แปลในอะไรนะฮะแด่ผู้ลุกมากกว่าจํานวนครั้งที่ล้มท่านเนี่ยได้ฝันฝันแปลกมากแล้วก็มันมันตรึงครับพี่น้องถ้าเป็นรุยาเนี่ยมันจะต่างจากที่มาซาชัยตอนนะฮะคือมันตรึงมันอยู่อยู่ในหัวแบบนั้นน่ะแล้วบางทีมันเครียดฝันแต่มันยังอยู่ในหัวมันปกตินี่คือฝันประมาณ เออชั่วโมงหนึ่งก็หายแล้วใช่ไหมฮะจะไม่มีใครจําฝันแบบนานๆไม่มีไหมฮะไม่มีแล้วมันแบบว่ากินเยอะอะไรเยอะพูดเยอะหรือว่าเล่นเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะหายไปตอนตื่นมาใช่เพราเป็นความฝันไงถูกไหมฮะหรือฝันไม้จะน่ากลัวมันก็จะหายไปแต่ฝันที่มันอยู่นานอ่ะอยู่นานอแสดงว่าไม่ใช่ฝันธรรมดาละมันเห็นจริงแลยเห็นมันยังอยู่ติดติดสมองอยู่เงี้ยฮะอรุยามีนั่นแล้วก็มาจากอัลลอฮ์ยันมันเกิดอะไรขึ้นครับ อิบน์อุอมัรเนี่ยก็ฝันฝันว่าตนเองเนี่ยไปเจอเจอของมาเลกาไปเห็นเหมือนกับว่าเห็นเห็นนรกเห็น อ, อะไรประมาณอย่างเงี้นะฮะเจอมาเลกาที่แบบว่ามีเหล็กมีอะไรถือน่ากลัวแล้วก็ไปเล่าให้กับฮัฟซอร์ฮับซอร์เป็นภรรยาท่านอบีเป็นพี่สาวของเธอของของเขาเนี่ยเล่าว่าจะอะไรให้ช่วยบอกกับอับบีให้หน่อยฮับซอร์ก็ไปเล่าท่านอับดุลเบี๊ย์ฟังอับดุลเบี๊ย์ซอร์เราก็เลยบอกว่านื้อมาอับดุลลอฮ์อัลลอฮ์อับดุลลาห์นีดี เล่ากาในกูมุลัยอัลกามาอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺหากว่าละหมาดยามค่าคืนอัลลอฮฺมูบอิมูมัตก็คือบอกว่าไม่ไม่ชิงอีกเลยาการละหมาดย้ำค่ําคืนนะก็สบายใจนะเห็นหั้มก็มีทางออกครับอันนี้ก็คือเขาเขาเรียกว่าความมันเป็นความความทุกข์หนึ่งของคนที่ฝันเออใช่อัลลอฮฺอินูมัถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือคือท่านเนี่ยท่านก็บอกว่า คนนั้นก็ฝันคนที่ก็ฝันเห็นนั้นให้นบีทํานายอถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะยัต้องไปดูหนังสือทีเขาก็บอกว่าฉันอยากจะฝันเห็นบ้างอ่ะนึกออกไหมฮะเออฉันอยากจะฝันเห็นบ้างบางทีวีดีพี่น้องก็ดูในที่เช็คดีดอได้ทํานายฝันเออฉันคนนี้ก็ฝันคนนี้ก็ฝันอยากจะฝันเห็นบ้างบางทีก็ถ้าให้ฝันก็ปล่อยอย่างนั้นนะฮะขอให้ได้รับสิ่งที่ดีด้วยกันแล้วก็ไม่จําเป็นว่าคนฝันจะต้องเป็นคนดีอะไรเสมอไปก็ไม่จําเป็น บทเรียนเราก็เตือนถูกไหมครัอับดุลลอห์ก็นอนครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกครึ่งหลับครึ่งตื่นอยากจะอยากจะฝันเห็นบ้างอัลลอฮ์สุภาพัลลอฮ์ขณะนั้นก็ระหว่างยังไม่หลับไม่ตืน่นก็มาริกะก็มาแล้วก็อยู่ในฝันแล้วตอนนั้นนะครับอัลลอฮ์หัวเรแล้วก็เรื่องเราก็ดังกล่าวแล้วก็ทุกนะอเช็คมูนอาจิดบอกว่านี่เป็นความเศร้าหนึ่ง อ, อ หรือว่าอยู่ในก้าข้ามความเศร้าและความกลัวไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นก้าข้ามความเศร้าและความกลัวคือเป็นความเศร้าหนึ่งอ่ก้าวข้ามความเศร้าและความกลัหนังสือเล่มนั้นเป็นความเศร้าหนึ่งที่ต้องต้องได้รับการอธิบายคือคนมีสาเหตุในการทุกในการเศร้าในหลายอย่างอย่างนนั้นก็คือความฝันที่มันไม่ได้รับคําอธิบายว่าคืออะไรแล้วมันติดถัวตลอดนะครับได้ได้ชัดเลยครับยินดีทราบุณมูลนิธนะครับก็ขอรับประทานต่อฟิกขอให้เพิ่มพูนความรู้ให้กับพวกเรานะฮะ เนื้อหาจริงๆนี so ่คือเข้มข้นจริงๆแล้วก็อยากจะให้พี่น้องศึกษาเพิ่มเติมในสุร้อยูซุปนะครับแลินัลองผมมีโอกาสเขาอยากจะทำมากแต่บางทีก็มันก็เขาเรียกอะไรโฟกัสนี้บ้างนั่นบ้างนะฮะก็อาจจะขอดุอาต่อร้อยให้ให้ได้ย่อยเนื้อหาหรือเพิ่มเนื้อหาต่างๆใครควรมาสาเร็จสรอยูซุปอะลัยลมนะครับอสออลนบีนัมดวะลาอลฮิวซบิอูซัลลมสลามุอะลัยุมรราะมตุลลอฮบุ